การที่เราได้แจ้งตอนเช้าว่าคอสนี้เป็นคอสทำวิจัยนะหมายถึงว่าเราปฏิบัติกันทั้งวันนะช่วงเช้าจะเป็นการให้บทเรียนว่าเราจะปฏิบัติอะไรกันวันนี้ซึ่งช่วงเช้าเราให้บทเรียนที่ว่าเราจะวิจัยในเรื่องที่เราปฏิบัติวันนี้ในเรื่องของการใช้ลมหายใจแล้วก็ในส่วนนี้บทอื่นๆด้วยนะ เพื <Nick. S 2> party, we, ่อที่เราตอนเย็นหลังจากทำวัดแล้วก็จะมานั่งวิจัยร่วมกันโดยนําเอาสิ่งที่เราสังเกตวิเคราะห์ได้จากการปฏิบัติว่าช่วงไหนเราเกิดเวทนาอย่างไรเราแก้ไขอย่างไรช่วงไหนมันเกิดง่วงเราแก้ไขอย่างไรช่วงไหนมันเกิดปวดเราแก้ไขอย่างไรช่วงไหนมันเกิดเบื่อเราแก้ไขอย่างไรช่วงไหนมันเกิด ฟุ้งร้านแก้ไขอย่างไรนี่เ็าเรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบวิจัยเพื่ออะไรเพื่อที่ในวันต่อไปเนี่ยเราจะได้วิเคราะห์หรือวิจัยในรายละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นซึ่งเป็นวิธีการอันหนึ่งในพุทธชง 7, จิตพอเจริญสติสัมโัสชงแล้วจะต้องไปสู่ธรรมวิจยะสัมโัสชงตามหลักของถือเรียนนี้หมายควเราเลื่อนจากสติประฐานขึ้นมาเป็นพุทธชงจละ สำหรับคนนี้ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัตินะนั่นเองในการวิจัยที่เราพูดถึงนี้ก็คือมันจะเป็นการดึงจิตของเรามาอยู่ณปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องไปไล่ความคิดไปไล่ความงงไปไล่ความขี้เกียจให้ยากเพราะเราดึงจิตมาวิจัยในสภาวะที่มันกาลังเป็นเรียกว่าเป็นการแก้ที่เหตุจริงๆ ถ้าสมมติเราปฏิบัติไปจนปล่อยให้มันง่วงมันไล่แก้ความง่วงเนี่ยเรื่องมันไม่ทันการเพระนั้นเที่ยว น, นี้เราจึงเอาใหม่ว่าเราจะตัวไหนมันเกิดเราวิจัยตัวนั้นเราวิเคราะห์ตัวนั้นแล้วเอาผลของการวิเคราะห์ตัวนั้นมาแชร์ให้กันฟังในช่วงตอนเย็นนะซึ่งอันนี้ที่เราได้คุยกันตอนเชา้าตกลงนะเข้าใจในประเด็นใช่ไหมนะประชิกใจกันทุ ก, ทกองค์ื่องแต่พระโดยโยมด้วยเอาพระก่อนก็นแล้วกันเนาะ เสร็จแล้วก็ตอบเพื่อจะได้เป <S ess Up> ็นแบบอย่างให้ยมนิมนต์ใจสงกรานต์ก็วันนี้ได้ตั้งใจปฏิบัติแล้วได้วิจัยตามที่ตอนเช้าผมให้ประเด็นไว้อาจารย์อยู่หรือเปล่าอยู่เนาะอยู่เขาวันนีมนต์วิจัยแล้ววันนี้นั่งปฏิบัติแล้วเกิดอารมณ์ไรนเนื่องจากว่าวันมีอาการเรีนเลยนอนทั้งวันนะ วันนี้ไม่ได้่ววันนี้นั่งเพื่าาแต่ปฏิบัติเพื่อแต่บ่ายโมงนั่งบ่ายโมงแต่กับเด็กเข้ามาที่หนึ่งตอนบ่ายสิ่งสิ่งหนึ่งที่ได้ยนชัดเจนก็ ค, คือว่าในขณะที่ปฏิบตัติไปตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลคือทําไปเรื่อยแหลแต่ตอนมาสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงที่สองปรากฏว่าตามนกับิษเนี่ย มันเห็นตาต้อพิษอาว่าทำไมมันกระพริบไหวเฉยจ้ามันเห็นอาการที่เวลากระพริบค้งจะมองเห็นจนลงนังคาจุดนี้ความรู้สึกรปรลังคาตาต้อพิษนะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนทิาบทจากจากนั่งาจากนั่งนั่งนั่งคสมาร์ตเป็นนั่งเป็นนั่งชันข่าแทนก็เลยกันเลยเก ร, เร็งตอนที่ใช้จังหวะมือเนี่ยแหแต่ว่าในขณะที่ยกมือก็ตามด้วย อ, อาการที่เหมือเคลื่อนายแต่ในขณะเดียวกันอาการที่ตาต้อพิษเนี่ยรู้สึกมือต้อพิษเร็วขึ้นทีขึ้น แล้วต่ทุกครั้ที่กรพริบมันจะทำให้เห็นเห็นตุกข์ขนาดที่มั น, มนกระพิบอ่ะซึ่งซึ่งนั่นก็เลยอ่ะมันกระพิบมากจนเป็นไปไมสะดวกทาน <c oughs> ก็เลยอย่าที่บอกคือเปลี่ยนเสร็จแล้วตอนตอ น, ตอนอย่างที่เห็นชัดก็คือว่าตอนที่อพยายามตอนชั่วโมงแรกเนะี่ยพยายามจะนั่งไม่อไม่เปลี่ยนอนทย์ปวดยา จ, จะดูจะดูเวทนานะดูเวทนาพอนั่ประมาณสักชั่วโมงเกือบเกือบชั่วโม ง, ก, โมงก็รู้สึกปวด ก็ลองค่อยๆค่อยขยับเพียรย่านกว่าคือพยายามค่อยๆขยับและพยายามรู้อ่ารู้การเปลี่ยนแปลงแล้วพยายามมองดูตอนที่ขยับแล้วก็จะเห็นเห็นอาการเจ็บที่มันปวดเนะี่ยมันหายปวดไปก็พอพยายามมองดูแล้วก็กลับมานั่งมาเดินและพยายามยกหนูต่อแต่นี่พอมาช่วงชั่วโมงที่สามพอทำไปทั้งไปเพลินนะเพลินแล้วก็รู้สึกเหมือนจะเบือ่อจนเ่อก็เลยลุกไปเดิน ไปเดินกลับไปกลับมาก็เบื La, be there, be there. Okay. Marche, ่อเลยเนี other other. ่ยก็มันี้มพิวเตอร์ทำยิ่งเบื่อได้ไม่มีใจเสียด้ยก็เลยยิ่งเบื่อเอาไม่ไหวแล้วไปเดินดีกว่าก็เลยรุกไปเดินรุดไปเดินแต่ว่าตอนขณะที่พยายามตอนที่จะเก็บพยายามเลก็พยายามพยายามรุดตัวให้มาที่จุดทจะมากได้นะครับเสร็จแล้วพอหลังจากไปกลับเอาไปห้องน้ำแล้วกลับมานั่งใหม่ตอนนี้ก็รู้สึกเป่ารู้สึกเป่ากายกายเบาเพิ่มมากขึ้นแล้ว มีความเพลินเข้ามาแทนอันี้มีความเพลินทําไปก็เพลินนะทำไปยกมือไปเพลินอตอนชมมั่วโมงที่สองที่สามรูกวดไหล่แต่พอตอน ท, ท้ายเนี่ยชมมมั่วโมงที่ห้าที่หกเนีย่ยรู้สึกไม่ไม่ปวดแม่แล้วรู้สึกเพลินมีความเพลินามาไต่พยายามตามรู้แล้วก็พยายามพยายามที่จะไม่ให้ความเพลินหรือความรู้สึกที่ที่สดวกสบายเนี่ยเขา้ขม า, ขามาครอบงำความความตามรู้เท่าทันตนเกิดไปนะีเสร็จแล้ว พอได้ใจเจ็บงงก็เลยรู้สึกรู้สึกร้อนก็เลยส่งน้ำกัแค่นรับอาจารย์ตัวอย่างมีการวิจัยแล้วก็มีการวิเคราะห์อมาจะเป็นคนวิเคราะห์ทีนี้นะคือในการปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการวิเคราะห์วิจัยตัวเองอย่างนี้มันจะไม่มีการม่วเกิดขึ้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถวิจัยได้ละเอียดแค่ไหน แต่มีช็อตหนึ่งน่าเสียดายอาจารย์สงคราว่าีิเกียดมันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่ยางไรและดับไปอย่างไรตรงนี้เสียดายจังเลยขึ้น อ, อาหารชิ้นใหญ่นี่ถ้าอาจารย์โนทิ้งเฉยเแต่ว่าวิธีแก้คือลุกไปทำกิจกรรมกับมาอทีมันก็หายเลยนครับก็ไปเินอันนั้นก็เป็นวิธีแก้แบบหนึ่งมือกนแต่ลืมดูไปว่าขนาดลุกไปเดินความพิเกียดมันหายไปตอนนั้นหายไปอย่างไรตรงี้น่าเสียดายเรนั้นในวันต่อไปต้องไปคาดจุดนี้ แต่ว่าเห็นแต่ว่าแต่ว่าตอนพวกรักการปวดก็าต้เเห็นคือตอนที่ตอนที่เปลี่ยนจ็กเห็นแต่แต่ว่าในตอนที่รนแรงมากคือตอนม่วมเพราะไม่ใช่โรคนเบื่อเพราะโจะเบื่อแล้วเลยก็เลยไปเดินดีกว่าเพราะว่านีไม่มี่วงไม่มีวเพราะม้วนมาทวันวันนี้เป็นนี้ทุกโอเคก็มดหนาสะาดรด้วยเพราะฉะนั้นในการลักษณะนี้ คือในในขอ้อแต่ละขอ้อมาที่จะมีการปรับปรุงหลักสูตรด้วยในการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละครั้งเราไม่นัปฏิดัติได้อนี้สงูงอย่างขอ้อที่ผ่านมาที่ครุษตีเนี่ยมาเกือบผลเกือบ4ีสิเราเราทำอีกแบบหนึ่งอันนั้นเราใช้ SKT เข้ามาแก่อีวอนปรากฏว่าวันที่2องวันที่3ามไม่คนได้อารมณ์ไปเลยนะเพราะว่านีวอนตั้งอยู่ไม่ได้กระตุ้นให้ทุกคน พอเกิดน so ิวรณตัวไหนตัวบูงตัวคิดตัวภรุงแต่ตัวฟุ้งซ่านตัวสงสัยเกิดขึ้นมาต้องเอาเอสคไปใส่ทันทีปบฏว่านิรณันดันอยู่ไม่ได้พรากฏว่าที่สองมาของคนได้อารมณ์ได้ปิติเลยนะอันนี้คือผลการวิจัยของเราต่อไปนิมนต์จันหมาลองเขาว่าวันนี้ที่แต่ปฏิบัติมาไม่มีอารมณ์อะไรแก้ไขยังไงปรับยังไงในการที่ อารมณตรงนั้นนิวรณตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วมีการมีเคราะห์แก้ไขอะไรบ้างครับก็ต่อมาความเุารพอาจารย์ตัวหลวงกจะได้พอนปฏิบัติธรรมทุกท่านช่งชวงเช้าในช่วงเช้าก็ปฏิบัติก็เป็นปกตินะ เป็นปกติดีครับแล้วก็ได้ส่วนในเรื่องของกายว่าในทุกบททุกตอนมีลมหายใจเข้าและหายใจออกก็เลยสังเกตว่าพอปฏิบัติไปแล้วมันมีอาการติดขัดในเรื่องของลมหายใจก็พยายามที่จะใช้อของ S K T เข้ามาช่วยนะครับแต่พอมันก็เป็นมันก็เป็น พักๆพอทำมาเันก็สบายอแล้วก็กลับมาติดขัดอีกอก็คงอาจจะเป็นเพราะในก่อนที่ไปปฏิบัติลมหายใจมันจะมีช่วงหนึ่งที่ติดอเป็นติดขัดติดขัดคล้ายๆประมาณว่ า, วาหายใจไปแล้วหยุดหายใจไปสักพักนึงให้กับกั้นหายใจเอาไว้แล้วก็ค่อยค่อย หายใจต่ออะไรประมาณนี้แต่พอเราทํากิดไปมันก็ทําให้การหายใจความต้องการในการหายใจของร่าง ก, กายนั้นให้กับว่ า, าไม่เพียงพอแล้วก็เลยมีการติดขัดในการฝึกทักษะของลมหายใจก็เลยพยายามตอนเช้าก็พยายามฝึกในเรื่องของลมหายใจกับการเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง ส่วนในเรื่องของตอนบ่ายตอนบ่ายก็มีอาการในชั่วโมงแรกก็ปฏิบัติได้ดีก็เดินตรงกองก่อนเปพื่อ เ, เป็นการย่อยอาหารเดิน ช, ชั่วโมงหนึ่งก่อนใกล้จะโอเคแล้วพอกลับเขนน้าขมานั่งอความง่วงก็เข้ามาความง่วงก็เข้ามาครับพยายามต่อสู้ในการ โดยกำหนดว่าให้รู้สึกตัวตื่นตัวแข็งใจก็ก็ต่อสู้กันไปก็ไม่หายก็เปลี่ยนเรียบทออพอได้สักพักหนึ่งก็มาอีกไม่ได้ใช้ STT เเข้ามาช่วยในช่วงมง่วงช่วงมง่วงไมไ่ไม่ได้ใช้ครับอูตรงนี้ของพี่เคาะต่อเลยก็เลยใช้ของใน ของเห็นใน YouTube ที่ของหลวงพ่อเทียนท่านยกมือขึ้นมาแล้วก็เอาอาไว้ข้างหน้าแล้วก็แล้วก็ก้มกลับประกบมือกันแล้วก็ก้มกลับแล้วก็มันก็มันก็หายไปก็ปฏิบัติต่อได้อีกสักอีกสองชั่วโมงครับประมาณ ไ, ไปยวัยสี่โมงวัยห้าโมงก็อมอีกครับข้งนี้ก็มาก็ ต yeah. ัวมานอยเง่วงแล้วก็อมีตอนหนึ่งที่ออกไปเดินแล้วมัุ้งซ่างก็ปล่อยให้ฟุ้งไปพุ้งไปแล้วก็พยายามที่จะเดินกลับมากลับมาให้อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าฟุ้งไปมันก็เป็นอารมณ์ของอดีตก็พยายามที่จะ กลมาให้รู้เรื่องของปัจจุบันให้มากที่สุดกเปลี่ยนการเป็นการเดินการเดินแล้วก็สลับการเดินไปหน้าทอยหลังเดินข้างๆเดินอยู่กับที่ก็พอแก้ได้แล้วก็หลังจากห้ามมงไปก็มีอาการง่วงเข้ามาอีกแต่พอ ตั้งใจพอแข็งใจในการที่จะกระทำแล้วก็กำหนดก็มีความเป็นปกติดีครับจีดาคือช่วงเช้าเนี่ยอยาจารย์ฝึกตัวเอ็ทีไว้อย่างดีพอช่วงบ่ายนิโ ว, วนเข้ากับไม่ได้ใช้เอ็เทีเข้ามาแก้ตรงนี้มีการอภิปรายกันหรือเปล่าผมได้เป็นแบบเบาๆครับเป็นลมหายใจปกติคล้ายๆ ทให้กับทำสองอย่างไปพร้อมๆกันให้ทำในการยกมือด้วยแล้วก็พยายามให้รู้สึกลมหายใจตเบาไปด้วยตัวนั้น เ, เป็นสัดเดียวกับม้วกัเพราะฉะนั้นตัวไอเคทีเราจะนาํามาใช้ตอนเมื่อเกิดรีบอถ้าไม่เกิดรีบนลไม่จำเป็นต้องนํามาใช้เลยเพื่อที่เราฝึกเพื่อจะนํามาแก้รีบนนะลนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกนี้แก้แก้มือใหม่กัน <c oughs> เพราะที่ผมเอามาใช้ก็คือคุณจะนํามาใช้แต่เมื่อคุณเกิดนิวรณตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะแต่ถ้าไม่เกิดนิวรณ์ตัวใดหนึ่งคือปฏิบัติการปกติคือหมายความว่าเราจะขุมสร้างแกวบปกติแต่เมื่อตัวม่วงเกิดขึ้นตรวเมื่อเกิดขึ้นตัวฟุ้งซ่านเกิดขึ้นตัวอะไรอื่นอาจเกิดขึ้นให้เอาเอทีมาใช้เต็มที่เลยคือคือเอาตัวลมหายใจแบบกั้นยาเอาที่สุดแล้วก็กั้นยาสั้นที่สุดหายใจออกแล้กั้นนิดหนึ่ง แต่เข้ายาวกั้นนิดหนึ่งตัวนิวรณ์มันจริอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเรานําไปไปทําเป็นภาคปฏิบัติเลยเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ถูกเพราะนั้นอ้คีทจะถูกนํามาปฏิบัติตอ่อเมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นเท่านั้นแล้วที่แกเพราะฉะนั้นพลาดที่นั้นนีดหนึ่งโดนบายแทนที่จะเอาตอนว่วงแทนที่จะเอาไอ้คีนิใช้เอานาปลานสติมันเลย่วงใหญ่เลยทีนี้มันเป็นฟุง้งจอ่อมันเป็นเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันนะ แนั่นอันนี้ก็มีข้อว่าที่เห็นว่าจุดคนจะแก้ไขจุดไหนแต่ถ้าหากว่าเราไม่แก้ตรงนี้เอสเที่ฝึกไว้ก็มีประโยชน์น้อยเพราะเอสทีคจริงๆไม่ใช่พวภาพปฏิบัติแต่ภาพที่จะฝึกให้ชาวงานเคลื่อ น, นไปแก้ไขนิวรนทีนึ่เพื่อแก้ไขนิวรนโกรกิตมันเป็นสมาธิได้เร็วพอจิตชั่งพี่เป็นชั่งี่ปั๊บมันจะได้อารมณ์เร็วมากเลยอันนี้คิดว่าในวันต่อไปเรจะแก้ไขกันครับผม <laughs> เร่อกามีอะไรจะวิจ <htaking basket> ัยเพิ่มนะเขาไม่หมดอันนีขก็กราบมิวสิกการเชลาทุกท่านเป็นยาโย่ตอนเช้าขึ้นมาก็ก็มาทำาละก็ทำเหมือนกับทุกทุท่านนั่นแะแต่ว่า หลังจากไม่นานไอตัวมอ่ก็มาแล้วมาแต่เช้า <c ười> คิดว่าช่วนอนอิ่มอยู่แต่ว่ามันมาแต่เช้าล <c ười> มาเป็ไปมาๆแล้วก็อ้ากก็เข้าห้องน้ําไปล้างหน้าสงสัมครัมันก็จะมั่งอยู่ทํายังไงก็จะมั่งจนทึ้งเวลาไปฉันข้าวหลังจากนั้นก็ไปรับ อยู่มันดาต่างๆเรืองงงอยนั่งนั่งรอคนหนเ่งเงินจัจจะหลับไปก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงก็ไม่ไม่ได้ใช่ไมอ๋อไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ยังยังแจ้ไม่ตก แกไ่โตเรื่องย้มวนเรื่องม่งขับรถม่ง้ยมับรถโตก็ไหวดีแต่ว่าไปนั่งมันจะม่งะไปนั่งนั่งตรไหนนั่งก็ม่งตรงไหนโดผมจะแกใ้จะเตรียมไม้หน้าสามไว้นีก็ยมมาริสาก็ให้กาลังใจอยู่าสู้นะ อย่าอย่าอย่าอย่าปะหลวงพ่อถ้าปะหลวงพ่อี่มันจะมันจะไม่ได้อะไรโอเคบโอเคนะอันนี้คือการวิเคราะห์วิจัยแบบหลุงหลวงเนี่ยนะไม่ไม่กระชับเท่าไหรนื่อจากลวงตาเพิ่งมาลวงตากลับไปแล้วกลับมากรรมฐ า, านด้วยหรืะไใช้เกบหมดเลยวัน <c> เ <oughs> ่านี้ดูแล้วไม่มีราศีกรรมฐ า, านเหลือเลยเพราะนั้นแสดงว่าเอาไปใช้แต่ไ ม, ม่ได้เพิ่มเติม สายไมยาไม่ใจเราเอาไปริโยมจะให้โยมเตี้ยววิเคราะห์วิจัยต่อเตีเร่องต่อแไม่จะมีน้ำจะมีใบอยให้สายยาไม่ใจเรเดี๋ยวท่านยังไม่ได้ดูมาโดนนั่นแหละด้ึ้ลดึงดึงดึงวอันสุดทยียาป่มะจะอ อเอวิการวดดิ้ด้วยอ<ช>โอ้จะ<ๆ>ได้เอาจริงนะโอเป็นเชิญเชิีไปูหน่อยว่เป็นงไงฮัลโหลกราจารอ่ากรรกาจารย์อาารค่ะมันแมวันนี้คือปฏิบัติใหม่นะทีนี้ทำไม่ค่อยทนไงแค่เอ่อทำไม่ค่อยทนแล้วก็ใจโม้งบ่อยทีนี้ไอ้เปลี่ยนท่างทีท่านั่ง ม, ม, มันเมื่อย ก็เลยต้องเาเป็นท่าอยู่ท่าเดินชอบเดินมากกว่าเดินเทิรนเดินข้างน้า้สึกว่ามันขมุกขมัวก็เลยออกไปเดินข้างนอกเพราะว่ามันง่วงเมื่อคืนนี่นอนไม่คหลับก็เลยแต่ว่าก็ใช้ส่วนมากจะแบบว่าถ้าง่วงนอนจะทําท่าอย่างเป็นอะไรไม่ไม่ยกไม่ไม่ได้ยกมือจะทําอสเอสเคทอะไรนะแต่ว่าช่วงหายใจสั้นยาวอะไรเนี่ยช่วยช่วยเรื่องง่วงนอนน่ะก็ช่วยอะไรเีอย ก็ไม่ได้ไม่ได้จัดอะไรก็เวลาบทีคิดฟุ้งซ่านไปด้ยพอพอตอไน้ไใช้เอ็กจอะไรนะตอนฟุ้งแล้วก็เสร็จแล้วก็มามาช้พอมันไปฟุ้งร็เอาแหละไไหวนมันง่วงสีมันต้องมาททำไมอ่ะมันก็ต้องทำขณะที่มันง่วงนีไม่ไม่ไม่ยกตอนตอนง่วงนะคือไม่ให้มันหลับมึดไปเลต้องเอาแลกเปลี่ยนท่าเอาเอ็มาช่วยไม่งั้นก็ออกไปเดิน ไม่ได้เปลี่ยนท่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ทการสเต็ตใหไม่ตอนที่ไอ้ที่สั่นคุ้มแล้วเอามันก็ก็หายนะแต่ทีนี้ว่าถงใจต้องอาศัยหรือว่าต้องปฏิบัตินานๆเพราะเพิ่งเริ่มทำก็คงความเพียรยังไม่เยอะ่ะไอ้เดียวกาที่แล้วที่เราแต่ละอาทิตย์ที่มีการฝึกเทสไอจีด้วยเนี่ยตอนนั้นได้ร่วมทำกับเพื่อนมัก็ก็ทํอะไรกับบ้านไม่ได้ทแต่ก็รู้ว่าทำได้เอาไปสอ แต่ก็รู้ก็รู้นะว่าแต่ช่วยช่วยได้เยอะนะเอสพูดถึงว่าถ้าใจง่วงเนี่ยว่าหายใจเข้าออกให้เข้าออกเข้าออกมันจะช่วยเนี้ยก็ลืมลืมเรื่องอื่นไปไม่ต้องไปทําท่าแล้วก็เอาเนี่ยให้หอบอกว่าไม่ให้ง่วงนะฮะใจช่หายใจสั้นเกินไปต้องหายใจเ ย, ะยาะๆจนกระทั่เหมือนจะขาดเลยง่วงมันจะอยู่ไม่ได้เลยออพอมันทําง่วงว่าหายใจเข้าหรือว่าจนจนจะขาดลมหายใจแล้วหายใจออก ยาวๆมุ้งมนหายทันทีเลยมันไปนั้นมีการที่ต้องอดทนไม่ใช่ไม่ใช่อดทนยังใช้ไม่เป็นคะเออยัใช้ไม่ถูกเดีด๋ยวคุณเล็กต้อเทรนยังไงอเอาแค่นี้ก่อนไม่ไม่ไม่ถามว่าในขณะที่เปลี่ยนท่าแต่ละครั้งเนี่ยได้สังเกตไหมว่าอะไรเกิดขึ้นในเรื่งตั้งอยู่อะไรทำไปมันไม่ได้ไม่ได้สังเกตนะก็พอมันชักไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนท่าได้ ว่าทุกครั้งคือมันล่นั่งนี่งจนจนมันแต่ก็มีบางครั้งที่ว่าแบบว่าถ้ามันแบบว่ามันไม่ไม่ไม่ทําได้ในนานก็ใช้เอสเมาช่วยจะช่วยระยะระยะหนึ่งถ้าไม่ง่วงนอนกคลืท่าต่อไปอีก็คือไม่ได้คือคือยกมือยกมือขึ้นนะยกมือเนี่ยขึ้นแต่ว่าไม่เหมื่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตามมือแต่ว่าไปที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกแต่ก็ยกมืออก็คือจะได้ไม่ง่วงนจะไค่ว่ปลี่เป็นเป็นอย่างอื่นคือ เอา a t t e n i o ไปอย่างอื่นไปเลยไม่ไม่ไม่มาเอาตามจันตั้งจันหะในช่วงนั่งนะถ้าสมมติว่าง่วงนะวิธีการใช้ a ด t i v ก t y หายใเข้าโดสุดหายจออก สร้างเาวมันจะได้กี่ท่ากันใชกท่าเอนกันนะสิท่ามันติดใช่แบบว่าหายใจครั้งเดียวแต่ว่าวยหน่อยนะคือให้มันจจุจุกไม่ง่วงตอสก็ไม่่วงใช่แต่เพียงแตคือต้องวยหน่ต้องวายก็วายมทันเนี่ยเอาไม่ได้ต่ให้ใจยาวแค่ไหนค่ะให้ใจในยาวแปไหนสั้เแค ก็แล้วแต่ละครไม่เหมือนกันแต่ละทีไม่เท่ากันต้องให้ลึกที่สุดให้ลึกไดะให้ยาวที่สุดเนถึงที่จะไปจัด ก, การตรงมุงได้แต่ถ้ามั น, นสั้นๆเนี่ยมันกําลังมันไม่พอกําลังสติที่ตามลมหึ่งมันไม่พอเพราะนั้นเวลาเอามามใช้สองเท่าพีเนี่ยเขาหม่งไปเลยเพราะนั้นคุณนี้แก้ตัวใหม อาจารย์เวลาปฏิบัติเนี่ยท่าเนี่ยจะเป็นหรือเปล่าแตท่ามันนั่นจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนีไม่เป็นสเต็ตได้แล้วก็ได้บางทีไม่ชอบท่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปรการสําคัญเปลี่ยนท่าท่าไหนก็ได้ประการสําคัญก่อนที่จะเปลี่ยนต้องรู้สึกต้องตรงรู้ว่าในขณะที่มันเป็นอยู่ขณะดนี้อาการมันคืออะไรคือหนักใช่ไหมทีนี้ขณะที่เปลี่ยนเนี่ยเราเห็นว่าไอ้ความหนักมันมันคายไปตอนไหนและความ สังเกตไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันไม่ไหวแล้วทีนี้เราก็กําหนดฮอนู้สิสุดท้ายความหนักก็คือมันมั น, ม น, เ, น, น, น เ, เป็นที่ขานี่นะทีนี้เราขยับเปลี่ยนที้เี่ยนแล้วเราเห็นว่าความหนักใคร่ไปนี่เราก็นั่งลงไปพองเบาเกิดขึ้นใช่ไหมพอมานั่งท่านี้สักพักท่านี้เดิมหนักอีกได้ใช่ไหมมันก็ตามรู้นหนักไปเรืยจนกระทั่งห้านาทีสีทีเราทนไม่ไหว แล้วก็รู้หนักให้ชัดๆเพื่อจะเห็นความเบาชัดนะเห็นชัดที่ว่าประชานาห็นชัดมวลหนักเต็มที่แล้วก็เขาเปลี่ยนไปสมมติถ้เปลี่ยนไปไหคนมาหายไปเนี่ยถ้าความเบาเราก็ก็เปลี่ยนเลยไปชานี้จุดสําคัญอยู่ตรงนั้นคือจะเปลี่ยนตามสเต็ปหรือไม่ก็ตามแต่ประการสำคัญแต่ละครั้งที่เปลี่ยนเนี่ยต้องชัดว่านักอย่างไร เวลาเปลี่ยนแล้วเบาเกิดขึ้นอย่างไรโดยนั่งไปสักพักหนักเริ่มเกิดใหม่ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนไปอีกเบาเริ่มเกิดสลับกันไปหนักเบาหนักเบาหนักเบามันจะได้อารมณ์ไหวมากนี่ก็เรียกว่าการมองแบบวิจัยมองวิทยาให้เห็นการเกิดขึ้นันกากลับไปนการเกิดขึ้นของหนักการตั้งอยู่ของหนักการลับไปของหนักเ็นการเกิดขึ้นของเบาการดั้งอยู่ของเบาการดับไปของเบาให้เห็นซับเตเลย รู <c Sur Ps> ้สึกจะเห็นยากเลยโอ้ตรงนี้มันยังเห็นมันยังไม่เห็นนะเลยต้งชชนอต้องจะมาเห็นเรื่อต้นใหม่เพราะมันมีตัางใจรอดเออนั่นเองคือปัญหาคือใจรอใรอว่าไม่ไม่ไม่แยบใครนะไม่แยกใครโยนี่สูงนิสัยกาม่ถึงนี้นั่งนังขานี้ให้หนักก่อนพี่ก่อนเพื่อจะเห็นหนักชัดๆเวลาเราเปลียยนไปก็จะเห็นครายมันหนักัเห็นหนักเห็นหนักของคาย ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันเห็นสักพักหนึ่งมันจะได้อารมณ์สมาธิเพอือจิตของเราละเอียดพอจิตละเอียดเท่าไหร่นี่มันยิบได้อารมณ์เดียวเท่านั้นนั่นคือเช่นพูดแช่เชียวโยนิสโอมนัสิกายคือเห็นโดยแยบคายในละเอียดในอาาัติเปลี่ยนภูนิเกตตัวมันนะต้องลอ ง, อ ง, อ ง, องดูพิมลิสาตั้งเครืมาในการที่แช่เ การรักษาการของพ่อ่ารน้องน้อ ง, องคูบาอาจารย์ทุกท่านสวัสดีเพื่อนนปฏิบัติทุกท่านนั่งเครื่องมาก็หลับไปพักนะึค่ะตอนขึ้นตอนเครื่องเลไม่ขึ้นนะคะก็หลับไปหน่อยเพราะปรี้ยสองวันนี้อาการคอซึ้หน่อยคิดว่าเด็กสงสัยไม่อยากให้มายล้ดินทาง แต่แต่ก็ว่าก็ว่าอยู่ก็ก็ก็เป็นปกตินะก็นั่งเี้ยแบบว่าตอนนี้จิตใจมันเริ่มบาดูตัวเองมากขึ้นละเอียดมากขึ้นมันก็อยู่มันเป็นปกติหลวงพ่อจะทําอะไรมันก็รู้ตัวไปหมดนะจะนั่งจะนอนจะหลับตาจะเดินจะเหินอะไรความรู้สึกตัวก็รู้เวลาเราอยู่ตัวก็ มีอะไรผ่านเข้ามามันก็ผ่านเข้ามันก็ผ่านออกไปมีหน้าที่อะไรแล้วก็ทําไปไม่มีเราก็อยู่กับตัวเราอยู่กับรู้ ก, กับหน้าของเรามันก็มีอยู่แค่ในหลวงพ่อจิ้งชาติเลยหลวงพ่อมีเพื่อนรักเลยตอนนี้เพวทนาในเมื่อก่อนที่จะทุกข์มากพอช่วงหลังมานี่นยะเวทนานี่นะกลับเป็นครูบาอาจารย์เป็นเพื่อน สนิของเราเลยละเพราะว่าเวทนาตัวนี้มันจะดึงจิตใจของเราเนี่ยให้ให้มาอยู่กับโลกกับงามตัวนี้ให้มาดูตัวนี้มันไม่อยากคือจิตมันมันจะหนีตัวเนี้แล้วเวทนาตัวนี้มันก็จะดึงมาสติปัญญาสนิสสติสัมปชัญญะสมาธิสติปัญญาเนี่ยมันก็ดึงตัวนี้กลับมาอยู่มาดูให้ได้แล้วเวทนานี่ก็ ได้สังเกตดูอย่างละเอียดเลยนะเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพราะว่ามันอาการมันก็เริ่มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะก็เห็นว่าเวทนาเนี่ยถ้าเราทุกส่วนในร่างกายเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เจ็บปวดไปหมดทุกส่วนเลยมันก็มีเฉพาะบางส่วนที่เวทนาเกิดขึ้นถ้าเราเอาจิตเราไปอยู่กับ ส่วนอื có có ủ, ่นที l òng, l òng ่ไม่ใช่เวทนาจุดจุดใดจุดหนึ่งมันก็อยู่ได้ของพ่อนะแล้วก็มันก็พอหนักหน่อยแล้วก็เข้าไปดูมันบอกเอออาการนี้มันหนักหน่อยนะจะไมัน่อยไหวพอเราเแค่ไปสกิปแค่นี้นะหลวงพ่อมันก็มันก็กลับมาแปลว่าประคองอารมณ์ให้อยู่กับ ใบธานาอยู่กับลูกกับงานเนี่ยแบบว่าที่ไม่ต้องเป็นทุกมากเงี้ยหลวงพอ่อแล้วก็อย่างเวลาปวดคอเนะี่ยอย่างส่วนมือส่วนขาเราก็ไม่ได้ปวดเราก็ยังเดินได้ทําอะไรได้เราก็เอาจิตเราไปอยู่ส่วนนั้นสินะก็ทอํ อ, อ, อ, อ, อ, อย่างนี้นะหลวงพ่อหลวงพ่อพอประคองได้หลวอบอว่า มันก็ไม่ค่อยแบบวันไว้เรื่องว่าเออถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะคิดว่าโอ้ถ้าเราตายช่วงนี้ทํางานเนี่ยพินัยกรรมอะไรก็เนีไม่ได้ทง <c oughs> ตอนนี้เขาก็พร้อ <c> ม <oughs> มหาวิทยาลัยเขาก็พร้อมร้อ ง, องยังไม่ได้คือลงพื้นฐานเลยมันจะกังวลไปอย่างนั้นนะหลวงพ่อแต่ตอนนี้มันจิตใจมันไม่ไปอยู่หลวพ่อมัน มันเข้ามาอยู่กับเนี่ยกับตัวเวทนานันก็ถือว่าโอ้ทั้งของคุณมาแล้วตัวทนาตัวเนี้ยมันมาให้เราได้ดูได้เห็นตลอดนะจิตใจที่มันออกไปข้างนอกนี่ไปทําอะไรนะพอเสร็จสิ้นธุระหน้าที่แล้วก็กาัเข้ามาอยู่กับรูปกรรนาตัวเนี้ยมันก็มาดูเนี่ยไปไปวทานาตัวเนี้ยยองก็เลยสนุกก็เลยเพลกับตัวนี้ก็เลยไม่ก้อยแบบว่าก็อพออยู่ได้เขาจะฟ้องร้องเนี่ยก็เรือ่องของเขาไม่ได้สนใจอะไรนะ ก็มีแค่นี้นะหลวงพ่อมีคอร่ดอนไม่ผิดข้อีโชคดีนะที่ป่วยเนี่ยเพราะแต่ถ้าสาหรับคนปฏิบัตินะถ้าคนไม่ปฏิบัติถือว่าโชคร้ายแต่คนปฏิบัติถือว่าโชคดีก็ออะไรพจะเอาตัวเวทนาเนี่ยเป็นที่เป็นลิมิตของกรรมฐานได้เลยอ่าพอเวทนาเกิดถ้าเกิดนั่งนานๆมันจะปวดใช่ไหม ออกมาก็เอาตวัวเวทนาเนี่ยเป็นยี่ห้อของกรรมฐานจนกระทั่งเวทนามันหายเพราะนั้นในช่วงที่เราดูเวทนา เ, นาเบื่อเขา่อค่อยจนกระทั่งเวทนาเนี่ยมันคายที่ที่เราจะนั่งยาวเท่าไหร่ก็ได้นั่งค่าเดียวเนี่ยยาวเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้นั่นเป็นการถ้าเวทนาเราแข็งขึ้เรื่องจนเราทไม่ได้นั่นถือว่าเป็นทีบากกับที่เราสั่งสมมาเขาจะมาลงโทษเราเพราะเวทนาก็คือโยมบาลคนกลัวต า, ายเพราะเพราะเวทนามันกล้ามันแข็ง แล้วก็วิบากกรรมการก็เชืโอกาสมาเสวยสวยตอนนั้นถ้าเราทํำวิบากกรรมอะไรมาเวทนามันจะกล้าคุณเลยกปวแต่คนที่เขาไม่มีวิบากกรรมะไรมาเวทนาก็าสงบเขาก็ไายสบายเพราะนั้นเองพวกที่ปฏิบัติธรรมเอาเวทนาตัวนี้เป็นมิติปฏิบัติจนกระทั่งว่าอยู่กับเวทนาโดยที่ไม่รู้สึกว่าปวดเวทนามันสมบุกมากเพราะจิตเข้มแข็งเหนือเวทนาที่นี้เขาเรียกวิธีการแยกเวทนา ถ้าเราปฏิบัติที่ภาสนาถ้าเราไม่สนใจเรื่องเวทนานเรียกว่าเราไม่ได้ล้างวิบากกัรมนะเพรนั้ น, น, น, น, น, น, นการฝึกเวลานั่งนานๆฝึกเพื่อที่ขยับตอนแรกที่มันยังไม่ได้อารมณ์มันจะรู้ปวดนะดูขยับไปขยับมาจนกระทั่งมันได้สมาธิปั๊บอาการปวดที่มันหนักๆมันจะไม่มาเลยทีนี้มันจะหายไปเลยทีนี้นคือจะเบานั่งไวแต่เบาตลอดเพราะฉนั้นช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้อารมณ์สมาธิเนี่ยให้ขยับดูทั้งสาระยะอย่างที่ว่าเกิดขึ้นตด้ถึงับไปยังไง น่เกิดขึ้นท่้านกั่แบบไฟบาลนะเดขึ้นัต้ไปไงดูให้ชัดตรนั้นแล้วเอาเวทนาเพื่อจะจางเพราะจางแล้วล ท, นจจาาทีนี้มันก็จะได้สมาธิเข้าสู่สมาธิก็คือเหนือเวทนาคุณวารณิศาเรมี่จะทุกคอีกทีนะว่าดูให้มันเห็นให้สามขั้นเด็นะคือคือไม่หลบเพามเดแต่ดูอาการต่างนี่คือวิเ ค, คราะห์ต่อจะไปคุณเล็กนะครัจบจอย่างที่ว่า สมมอย่างที่ผมเคยไปข้าขวพระโพธิสัตมันจะมีชโมงอธิษฐานชนั่โมงอธิษฐานไม่ให้ไม่ให้เกิดเรื่อยากบซึ่งประมาณวันที่สี่วันที่สี่เนี่ยไปจะมีหชั่โมงอธิฐานแม้เปลี่ยนยประกวดว่าคนก็ทำโดยตอนนี้ตอนนีตนน้ตอนที่เขาให้ดูเวทนาคนนั้นเนะี่ยเขาไม่ให้ดูรูเวทนาเขาเขาให้ไปดูกุดอื่นที่มันละเอียดกว่าตรงที่มันหนัก เห็นมมตมันปวดที่ขามากๆเเขาจะไม่ได้รู้ที่ปวดแต่เขาให้ดูตรงที่บริเวณกว่าที่ปวดเสแต่ล้วมันก็ทนทนเมื่อถึงเหมือนจะเป็การเป็นการเปลี่ยนเป็นการเหมือนก็เป็นการเปลี่ยนความสนใจจากที่ปวดไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่บริเวณกว่าที่ปวดแต่ล้วเราทนทนจนทอมานเหงื่อไหลออกแต่งตัวอะไรนะแต่ละมันภาพเห็นก็นหายไปเลยอัตโนมัติได้หายรูปไปเย็นสบายสภาพมันกลมาอีกเหมือนเดิมมันกจะเริ่มอ ะนะครับตอนนี้อย่ า, ยางเมือ่อวานที่ผมนั่งมมออตอนเวลาตอนบ่ายนั่งประมาณชั่วโมงชั่วโมงเกือบเกืชั่วโมงจะผ่านไปมันก็เริ่มปวดพอมันเริ่มปวดปั๊บเนี่ยเอ๊จะยกมืออ่ะมันก็ไปดูปวดชจะครับเอาไงนี่ก็เลยค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเห็นดูดูความดูความปวดพอมันเริ่มหายไปกกลับนั่งไปเดือกเออความปวดหายไปที่มันยกมือต่อมันก็กลายเป็นว่าถ้าถ้าจะทนให้รู้ปวดไปเนี่ย ยกมือมันจะไม่ลดเรื่องมันจะเป็นแค่รัสลับสองตจเปวดยกมือปวดยกมือทำไงทำอย่างนี้ไม่ใช่คุณลษาบอกว่าถ้ามันปวดตรงนี้เราใส่ใจไปจุดหนึ่งที่มันไม่ปวดใช่ไหมที่อาจารย์ชุมการวิเคราะห์วิจัยมาคิดว่าเวลามันปวดให้ไปสนใจที่อื่นแต่ปรากฏวเวทนาเนี่ยมันไม่ได้ลดลงเลยใช่ไหมมือเติ มันมันจะหายไปวาถจุดตรงนีแค่ที่พีเข้ามานะ้มันดับงใช่ไทีนี้ลักษณะนี้เขาเรียกวหลบเวทนาถึงลบเวทนาไมได้แค่ที่เหตุพอได้แค่เหตุมันจะมันหายไปหมายความว่าร่างกายมันหาทางออกมันเองไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกนาจมัหลังสารได้สักอย่างมันไปดับตรงนั้นคือธรรมชาติของมันเขาเรียกว่าอิโดฟินน่แต่พอสารนี้กระจายหายไปความปวดเริ่มขึ้นใหม่ซึ่งตรงนี้ไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงน รุนเหตุมันปวดตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นแต่วิธีแก้ไม่ใช่นั่งแช่ตรงนั้น<ม>ขยับให้ได้สารระดับจากที่อาจารย์แก้ออกมาใช่ไหมแก้เสี่ยสารคือเกิดขึ้นเกิด ข, ข, ข, ขึ้นอย่างไรก็ตัดขยับนิดเดียวเท่านั้นแหละมันก็คลายพอคลายเวทนาก็ลดอ่อนตัวทําเนี่หลายครั้งป๊อเนี่ยมันก็เวทนาก็จะหายไปนี่เขาเรียกวแก้ที่เหตุไม่ให้นั่งแช่ไม่ให้นั่งแช่แล้วก็ให้หลบถ้าหลบแล้วมันมันไม่หลบแต่แก้มีการวิธีขยับนิดเดียวก็ได้แต่ให้มันเปลี่ยนจุด เวทนาตัวใหม่ที่ว่าท่าศรีทนั้นมันมันมันยังวิ่งแรงอยู่การสาั่นสะเทือนของภาศรีมันยังแรงอยู่แต่ที่เราไปกดกระแสเหมอนกัน ส, สั่นสะเทือนทุกมันมันก็เลยสู้การเวทนาแต่พอแต่เวทนาจะสงบสงกรณีกรณีที่1น่งร่างกายช่วยตัวเองคือมันหลังเองดฟีลออกมาอันขาดพราะสนั้นกรณีที่2มีการใช้สติสมัมปัญญะเข้าไปคลายโดยการดูที่เหแล้วขยับขึ้นนิด เพื่อให้ผ่อนกระแสที่มันแดงมันให้ผ่อนผ่อนกระแสของมันเพราะกระแสมันเริ่มผ่านได้กระแสทั้งการวายเวอรชันของภาศีนะที่มันใส่บนแรงอยู่ด้วยวิบากที่เรากดมนไว้มันจะมีการเต้นของภาศีอนบนดินทีนี้พอเราเราเราผ่อนอยาบนิดหนึ่งให้กระแสที่มันเต้นมันผอนคลายลงแล้เวทนาเปนสมบุคลักษณะสมุกแต่ไม่เป็นสมบุกด้วยองค์ของสัพเพชุกเมื่อด้สมบุกของสมรรค สงบสอสปรญาคือหมายถึงกดให้มันจนกระทั่งว่าธรรมชาติตรงออกมาช่วยตัวมันเองแต่มันไม่ยั่งยืนเดี๋ยวมันกลับมาใหม่แต่สงบแบบพดชมหมายถึงว่าแค่ที่ต้นวินัยเกิดขึ้นตดู้่มันกัขยับการดูถ้าพอมันคายเพราะนั้นอาการเวอรบลิชันของระยะสีที่มันจะขยับตัวที่มันเกิดเวทนาอย่างแรงนมันก็จะบีบคั้นวิธีการเอาสติเข้าไปใช้ก็คือการขยับนิดเดียวแลกวพอสวาสังคัเวทนาก็จะขาย พยัญชนะวิเคราะว่าแก้ปัญหาด้วยสมถะเป็นอย่างที่เขาแก้กันคือบิบให้มันเต็มที่เลยแต่ ว, ว่ามันไม่ยันอยืนเดี๋ยวกับมาใหม่แต่แก้ด้วยวิปัสสนาก็คือการเอาสติเข้าไปไปช่วยด้วยขยับให้การสัส่นสะเทือนของธาตุสีที่มาทําให้เกิดเวทน า, าให้มันคายตัวทีนี้ทีนี้ที่ตรงคายตัวปั๊บในสมาธิมันเกิดพอสมาธเกิดปั๊บอีกสารนี้นเดีิดเคลื่ลังเมันกัน สาริเิ้นหลังไดสองกรีหนึ่งเวทนาขี้เกลี่มันหลัง2เวทนาเสาริินมันหลังแตงเิเป็นสมาธิสาริเดฟิหลังเพราะอำนาจเป็นสวที่มันจะหลังเยอะมากและมันจะป่อดภยตลออันนี้เราพิจ า, ยารณาดูนะ ว, ว่าวิธีแก้หนึ่งอย่าบสองสู้ด้วยสตสมัมญญนะแต่ว่าอย่างที่ว่าน่กขยับต้องต้องฝุยธรรมบ่อย เพื่อให้ได้เห็นหน้าทัาง้งการกดคายของมันดัน้นเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากเลยนะาาเพราเราพิสูจน์โดยคุณเล็จจกวิจัยรอกการรัการของพ่อแลอะครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะคือมาตั้งแต่วันสารเริ่มปฏิบัตแต่วันอาทิตย์ก็พยายามสร้างความรู้สุกโดยเร่อยวันนี้ตอนเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ย รู้ก่อนเลยว่ามันตื่นขึ้นไปก่อนแล้วอลองไม่เปิดตาแล้วก็พปจิตัวไปมาก็คิดว่าน่าจะประมาณสักตีสากว่าแต่ไม่รู้เพราะว่าเกียร์ของความขี้เกียร์มนยังมีว่าอาจารย์ให้ตื่นตีสี่เราก็ต้องตื่นตีสีเนี่ยรอจนกระทั่งนาฬิกาดังแล้วก็เลิกขึ้นมาแล้วก็ปกทพี่แล้วก็เราก็ออกมาก่อนแล้วก็มาออกกําลังกายตอาออกกําลังกายเนี่ยทำ่าทิเบตไฟทิเบตเทนไรท์เองนะแล้วก็ ไม่ได้ทําเป็นที่แต่เพราะว่ารู้สึกว่ามันตึงขาอะไรแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดหลังจากนั้นก็ออกท่าโยคะเพราว่าเราเมื่อยตรงไห น, นแล้วก็ออกท่าตรงนั้นให้ดูอาการของมันว่ามันเมื่อยแล้วเราเอียงไปอย่างเงี้ยมันขาดตัวยังไงแล้วก็จะเห็นอาการคลายตัวของมันหลังจากนั้นก็ทำวัดสวดมนต์แล้วก็ไปทำอบข้าวเวลาทำอบข้าวเนี่ยแล้วก็ จริงๆแล้ววันแรกที่หลวงพ่อบอกให้ทำนี่ก็สูงว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพร mm. าะเราไม่ใช่แม่ครูแล้วก็ทำขอ้างไม่เป็น <Okay. S 1> แต่เนื่องจากว่าเราก็มี <Okay. S 1> สติค่ะถ้ากวัดใช้ทำง่ายสมมากทำง่ายๆค่ะโยงทำแบบว่าหั่นสลัด <laughs> ไปนงเทียนแล้วก็ไม่ไม่ได้คุกอะไรมากมาย่ะแล้วก็แต่ก็ทำด้วยสติะคะ่ะจาย์ไม่ได้คิดว่าอาหารจะออกมาอร่อย <laughs> ไม่ร่อยรู <laughs> ้ว่าเร <laughs> า <laughs> มีสติ อย่กการควรช่วยค่แล้วก็เอาดูมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นไอออนเชฟค่อาจารย์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างแต่ว่าต้องผลิตอาหารออกมาไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนซื้ออาหารใช่ไหมอาจาไม่ทำอ้าวทำหร อ, อทําอะไร <Iron Chef S 1> มีอะไรไ <c oughs> ม่มีอะไรเลยต้องไปเปิดตู้เย็นดูดูดอ้าวทอะไรหลวงพ่อชอบทานอะไรก็ถามตั้งเงี้ยก็เออทำทำแล้วก็อาหมีผลไม้แล้วก็ปอกผลไม้มากที่สุดพอเฮลตี้ที่สุด แล้วก็นอกมันก็ทำตามของพ่อสั่งนะคะที่บ้านแสดงว่าคุณพลก็ไม่ทำอาหารกันอก็ไม่ทำาันแล้อยู่แม่ยมแม่ก็ไม่ทำอยู่แม่ที่ทำนิดเป็นนิดเลยเลยอะโยงกับนามิโลแม่ส่วนมากตอนเช้าจะทำสมูทตี้อยู่ที่บ้านะคะแล้วก็แบบว่าทำเยอะๆตื่นให้แบบอิ่ไปเลยถึงเช้าแต่พอกลางวันเราก็ทำสลัดไปอย่างเงี้ยง่ายๆไม่ได้คลุกทามสลัดทานฟา เปคือใช้น้ำหนักไปไกลที่ <c oughs> รับคำร้องควาคุณแม่ไปใช้นาา้ำ ห, หนักหรืออาหารไทยแล้วแล้วก็มีเพื่อนลงส่งอาหารอยู่เรื่อยดิ่งอะไรใช่ไแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาปฏิบัติตอนช่วงเช้าเนี่ยปฏิบัติหลังจัดทานอาหารของตัวเองแล้วรู้สึก ง, ง่ว <laughs> งเวลาแค่ง่วงก็คือ ถ้าระยะแรกนี้จะแก้ในการยกมือแล้วก็หายใจอย่างหลวงพ่อว่าคือยกหายใจเข้าลึกๆเราก็ผ่อนออกแล้วก็ยกไปอย่างนะซักสองสาครั้งเราก็จะรู้สึกตื่นหลังจากนั้นเราก็ทําความให้มันชัดเวลาเราพลิกเปลี่ยนเนี่ยเราต้องทํากระเบื้อรู้ให้ชัดอนะ่ะคือเวลาถ้านั่งขัดสมาดเนี่นั่งแล้วถ้าจะเห็นอาการหนาเบา แล้วเราขยับนิดเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นอาการว่าจากหนักเป็นเบาเนี่ยมันเป็ น, ย, ย, นยังไงถ้าทานเปนเรื่องต่อเรื่องแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยง่วงเพราะอารมมันจะอยู่กับปัจจุบันได้นานทีนี้บางครั้งเราก็ตอนเช้าเครื่องอาหารเข้ามามันกําลังย่อยอาหารร่างกายอาหารก็ยังมีความหนักอยู่ ก็เยเริ่มเกิดความวุ่นวิ่งครั้งนี้ก็เลยต้องใช้ SKT จัดการแบบขั้น <g> ส <ül> ุดขีดก็เลยการทำท่าอันอันนี้ค่ะที่เป็นหายใจเข้าหายใจออกทำไปสามสิบครั้งแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงสามสิบครั้งรู้สึก ต, ตอนเช้าวันนี้มันจะ่วงมากขนาดทาอยู่ยัง <c oughs> เผลอปุ๊บก็ตั้งใจเอาไว้หายใจลึกไม่พอเราก็ทําจนกระทัง่งครบสามสิบอันนี้สามสิบคนเราก็กลับมานั่งยกมือสร้งางฉวัดใหม่แล้วก็ ครนี้ก็สึจะสดชื่นขึ้นพราะทำด้วยความเนี่ยตามรู้ทุกทุกตอนของการเป็นท่าโดยเฉพาะเวลาเดินนี่จะชอบมากเลยอาจารย์เพราะว่าเวลาเดินขึ้นหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นอาการหนักเรา ก, ก้าวเท้าไปแล้วเราจะเห็นการถ่ายน้ําหนักของตัวเราเนี่ยเวลาเราก้กาวน้ําหนักเราจะไปอยู่ข้างนี้ข้างขวาเราจะเบามันก็ก้าวไปข้างนึงก็จะเป็นหนักเบาหนักเบาเอยค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่า เราจะดูละเอียดมากว่าเวลาเราก้าวเท้าเข้าข้างหน้าเนี่ยซ้นเท้าเราจะลงกองหนักแล้วก็ขึ้นเบาแต่ถ้าเราเดินถอยหลังเนี่ยปลายเท้าเราจะลงกองมันจะเห็นอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในอารมณ์ของการสังเกตทีไ่ได้นานนะมันจะตั้งได้สนุกกับการดูมันจะไม่มีความรู้สึกเบื่อมันจะสนุกกันฉันช่วงเช้าเนี่ยยมสึกว่ามันจะหลังจากที่แก้ไม่วรได้ตัวมันก็จะเบา แต่พอเวลานั่งแล้วมันเบาเกินไปก็จะเกิดการเพลินก็เลยต้องขึ้นไปนั่งบนเก้าี่ไม้เพื่อให้ ม, มีอาการของเวทนาบ้างพเพราะวลานั่งโดยไม่มีบ่อกีก่ไม้บนนะัคนเพื่อเราจะได้ให้มีความเจ็บปวดเวทนาก็นั่งทําไปซึ่งเราก็พอทำได้จนกระทั่งสิบเอ็ดโมงโยมก็เห็นว่าเต้องไปดูหน่อยว่ากับข้ามาพรอ้อมยางแล้วมีผลไม้ทองไหมแล้วก็ ขอราคาเรียกอาจารย์ระหว่างนั่งรอเราก็นั่งรอที่สวนเรรู้สึกถึงความบักแล้วก็ล้างชางนหะนึ่งกลับมาตอนบ่ายอาจารย์บอกว่าให้ดูเรื่องความง่วงจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจทานาหารว่าวันนี้เราทุกที่ยมจะเป็นคนที่ไม่ทานแป้งหรือข้าวเหนียวหรือข้าวเลยเพรกวรัวง่วงแต่เนื่องจากตอนเช้าเราแก้ง่วงได้แล้วก็เลยเอานะเข้าต้มมัดสักหนึ่งแล้วก็ขงงนงสักอันหนึงจะดูซิว่ามันจะสู้เราจะสู้ความ่วงได้อีกไหม แต่ปรากฏว่าวันนี้ตอนปากเนี้ยตั้งใจอยู่ความว่วงมันไม่ว่วงเลยอาจารย์เพราะว่าพอมันเริ่มหาปุ๊บเรากำจัดความว่วง ก, ก่อนเลยพอมันเริ่มหาปุ๊บเราจะไม่รอให้มันมาเพราะรู้แล้วพอหาปุ๊บนี่เป็นระยะขั้นหนึ่งพอต่อไปนี่ตามจะเริ่มติดชนะอันนั้นเราจะไม่ให้ถึงขั้นนั้นยมจะแก้กล่องโดยการที่พลิกเปลี่ยนให้ให้มันตื่นรู้โดยการพลิกแล้วก็ทําท่าที่มัน เห็นอาการเวทนาปนชัดๆคือาเทศทิดาเาก็นั่งทำไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ฉันตลอดทั้งบ่ายวันนี้จนถึง4โมงเย็นเนี้ยถ้ า, าถจะไม่อยากทยุดทำเพราะว่าทนยิ่งไม่ใช้ใช้ไอเกถูกอ่ะมันจะแบบว่าสนุกกับการทาจนนี่อากรู้สึกมันจะตามดูแล้วมันจะสนุกกับอิริยาบถที่เราทาพอหันไปเห็นส้มกำลังจะหลับเดินจะหลับ เลยไปสะกิดเขาอว่ามานั่งมานั่งให้นั่ง น, นั่นี้อะไรยก็พูดค่อยๆก็ไม่เช้าเพราเข้าใจป่ะแต่ก็ให้เขาเอาไปลองทําดูอนะไรอย่างเงี้ยแล้วหล่ะันตัวเองก็นั่งทําก็ไม่อยากเลิกแต่ก็ต้องออกคิดว่าไม่อยู่บานโลมละเราจะต้องออกไปดูน้ําปัน <c oughs> นป่นนะ้ <c oughs> าําปานนะก็ไปทำน้ำําปานะแต่ก็ทําก็เราก็มีความรู้สึกตัวอย่างการจับสิ่งของอะไรอนยะ่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็รู้สึกมีความสุขแบบ รู้สึกตัวมันเบาไปหมดอาจารย์แล้วก็กลับมานั่งฟังพี่ก็ห่วงพี่มาริษานะได้ยินเสียงประตูปิดปุ๊งปั้งปุ๊บ ป, ป, ปั้งกับมาริสันมาแล้วมันก็จะมีความคิดเออห่วงพี่มริสันก็ไปหาพ่อพ่อบให้ไปเชคแคร์ที่มาริษันก็ไปก็ไปเชคแคร์ก็นั่งคุยกับพี่เขาแต่ระหว่างนั่งคุยเราก็รู้สึกถึงอาการหนักเวล า, เานั่งฟังพี่เขาอะเราฟังก็จริงแต่ว่าตัวเราเนี่ยมันหนักเราก็ทําความรู้สึกตัวอยู่กับอาการหนักตรงที่เรานั่ง แล้วก็ออกมากลับมามาปฏิบัติต่อครั้งนี้เนี่ยตอนเย็นเนี้ยมาปฏิบัติจะรู้สึกเพรียเริ่มรู้สึกว่ามันเพรียวแต่ไม่ใช่ง่วงแล้วเราก็ดูอาการนี้มันไปก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเองสั่งมาที่จะกําหนดระดับความกําหนดรู้ได้ว่าเราต้องการรู้แบบแบบยามแบบกลางแบบละเอียดเพราะถ้าเราแบบหยาบเนี่ยรู้แตย่ยกมือเนี่ยมันจะเกิดความขี้เหร่ได้ง่าย พอยงเริ่มรู้สว่ามันขี้เกียจก็ลงไปนระดับกลางก็คือให้เห็นอาการเวทนาในร่างกายให้มันชัดเจนทนี่อ้าวมันยังมีความเบื่อๆอีกก็ลงไปอีกคือจะดูให้มันละเอียดไปเลยว่ามันเกิดขึ้นยังไงคือความเจ็บมันเกิดขึ้นตอนไหนแล้วมันมันขยายกว้างเข้าไปแค่ไหนจนทนไม่ได้แล้วค่อยๆปลี่ยแล้วดูอาการของการเปลี่ยนว่าระหว่างรุกขึ้นเนี่ยมันคลายตัวงไงมันค่อยๆปดค่อยๆปวด ก็จะทําอย่างนี้ค่ะจนกระทั่งความเบื่อความเซ็งในตอนเรียนก็หายไปจนกระทั่งกลับมานั่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวกลับมาเบาเมือนเดิมมันก็หายหายเลื่อนมีความรู้สึกว่าเบาแล้วก็เลื่อนลงหลายทีจนกระทั่งไปแล้วค่ะนี่ไงแค่วันสองวันได้อารมณ์นี่มันไปอย่างนีเที่ยว่าแล้วก็มาฝึกใช้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้แต่ละคนไปศึกษาทดสอบ แต่ยังคุณเล็กได้ฟังของพ่อบอ่อยก็ได้เข้าใจหลักการ น, นี้แล้วต่าํใจทำด้วยอันนี้ก็ส่วนนะคุณโชคดีไงว่ามันคุณเดวฟังครับพระอนะาจารย์และครณบาอาจารย์ทุกท่านค่ะยมได้ความกรุณาจากทุกท่านโดยเฉพาะคุณเลนเน่จะช่วยสอนแล้วก็มาคอยแนะนาตลอด ยังไม่เข้าใจตรงตรงเรื่องการหายใจแล้วรู้สึกยากเมื่อเช้ า, า, ชานี้ขนาดเดินก็แบบเหมือนแบบหลับเลยค่ะเดินเพียงหลับแล้วปรากฏว่ า, ว า, อ, าอีกตอนหนึ่งที่หลวงพ่ออกเจอที่ตรงข้างหน้าคะ บ, บอกให้เดินเร็วแล้วก็ให้หันกลับให้ใช้วิธีหายใจก็ยังติดขัดเดืนนี้หน่อยยัง ไม่ค่อยเข้าใจนักแต่รู้สึกหลังจากที่ได้ได้ใช้วิธีการหายใจอันนั้นนะคะทาให้หานนุ่นขึ้นมากเลยช่วยได้มากเลยค่ะเรื่องการหายใจออแบบนั้นนะคะแล้วก็สลับไปเรื่อยๆแล้วก็คุณเล็กก็จะเห็นว่าส้มไดททาผิดอย่างเช่นการการยกมือขึ้นยกเร็วเกินไปบอกให้ยกขึ้นมาให้รู้ว่า ตรงเนี้ยหยุดนะแล้วก็ให้ลงไม่ใช่ปึ๊บ <c oughs> น็อกไปอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ ะ, <c oughs> กะก็ตอลแรก็ทำไปช่วงนั้นรู้สึกง่วงมากค่ะยิ่งทำยิ่งง่วง <c oughs> ก็รู้สึกว่า <c oughs> เพลินสีสลากกันเลยแต่จะชอบเดินมากกว่าแต่คณนณแม่ก็อยากจะให้อ้ายมานั่งตรงนี้แล้วก็อธิบายให้ละเอียดเลยเลยบอกว่าถ้าเราไม่ให้เราค่อยๆ ก็พยายามทำนี่แต่ก็ไ ม, ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักแต่รู้สึกว่าตรงที่ตรงข้อแนะดำนะคะจะได้ผลมากตรงที่ไม่ง่วงแต่ว่ารู้สึกเดินสร้งไปหน่อยใช้แค่นั้นใช่ไหมคะเดินแล้ว ก, กลับเลยเดินเดินเดินแล้วก็อยู่ใจใจแล้วก็กลับเลยใช่ไหมคะคร ต, ตรงเอ เอสคทอสคทนี่ยังยังไม่ได้รับการฝึกฝนเพราะจาร์สการให้ให้ดูแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจเรื่องการการหายใจไม่ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องเรื่องการหายใจคุณนีคุณเล่นใรายละเอียดเพิมเติมค่ะเพไคะเพิ่มจะได้ใช้ถูค่ะแล้วถ้าใช้ถูเรานจะได้งสูงเยอะดีค่ะก็ ถูกแล้วตัวที่เป็นยูกศักรันี้เฉพาะกุมตัวเดียวจะไม่ดูนอืนไหมตัวที่ปุงแต่งผชายอไนี้อ๋อมีเต็มเลยนะะเดินแล้วแก่ใคงก็พยายามทำไปเรื่อยๆทำเราเราปรุงแต่งไปเราเเราเรามีเรื่องหนักใจเนี่ยเดี๋ยวก็ออกแล้วแล้วก็พยายามกลับเข้ามาอีกค่งกลับมาได้ก็ได้บางและไม่ได้บางส่วนเนี่ยจะไม่ค่อยได้แต่ว่าเออ จ ะ, จะพยายามก็พยายา ม, า ม, ามยยทำทำทำไอเทคนดที่จะมาเริ่มนการสังเกตสานตอนที่คุณเรียกว่านะมีการขยับขึ้นนั่งเวลานะารู้อสิันยาหนักนะพอขยับเปลี่ยนปั๊บหนักเ ล, กเกลยเปลยนกลางพขยับไปเ็มที่การเรื่นไปได้เ อ, องพอเรานั่งทับไปใหม่ก็เวลานาก็เริ่มให้รู้กเ่มชื้ น, น, นยคนะ่ะ จึงจึงไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้แบบว่ารู้สึกจันทร์สายมากกว่าช่วงเช้านี้แบบขับรถมาได้เหมือนกับว่าแบบเบอร์เลยค่ะแล้วตอนที่มาเดินนีแบบเหมือนแบบหมุนเลยอ่ะในตาเนตายหมนเลยใช่ๆได้ ังหลานะนตัวเลยการบวารารพระอาจารย์ก็พระอาจารย์ทุก่านอ่ะทั้งหมายให้่โมเดียวค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ประสานบอกว่าเริ่มวันนี้ตอน6โมงก็มาตรงเลยไม่คดคุณพนไมก็พาไปหาหมอตอนเช้าจริงกันตั้งแต่ที่ก็มาชั่วโมงนึงก็เห็นทาอะไรกันอยู่ก็พยายามจะ ก็ตือเป็นค่ะคือมาตอนวันปีใหม่คือพระอาจารย์มาสองช่่ะก็คือคือคุณแรกคุณแรกใไหมค่<ฮ>ะซอนก็ไม่อยากยาก็ไม่อยากจะลงกวนทุกคนไงก็เลยเข้ามาบอกไม่เป็นไรพอเป็นค่ะก็เสร็จแล้วสิบสี่จังหวะทำยังไงนนดูพ้ อ, อ, อาจารย์สมการอ๋อได้แล้วสิบสี่จังได้แลวก็คือก็ทาไปมาถึงนุูบแบสดชื่นมากหลังจากรถเดสองชั่วโมงคือมากไกลมากมอสอชัว่วโมงแล้วคือแบบ สดชื่นคะือมาเึงแล้วรู้สึกแบบว่าทำไมมันสว่างไปหมดแล้วก็คือหลังจากที่ยมเปสักพักก็จะเริ่มง่วงเพราะว่าคงคือว่าเหนื่อย น, นิดๆลองเด น, นแล้วก็ขับรถมาไกลพอเริ่มง่วงก็อายกมือล้กันยกถูกไม่ถูกไม่รู้แต่คือก็คือเหมือนกับว่าบางทีก็ตกั้งใจสะบัดนิดนึงเพื่อให้รู้สึกตัวแล้วก็คือพา ง, ง่วงหายไปก็เริ่มเมือ่องคือจะรู้ร้ อ, อนๆก็หยุดนั่งพอได้ไปสักพักเนี่ยคือ คือขอท้าความไม่รู้ว่าตัวนั่งมาระยะเวลานี้พอนั่งปุ๊บสักพักมันจะเข้าจิบล็อกมันจะหมุนแล้ววันนี้ก็จะกลัวมากว่าเดี๋ยวพอนั่งเดี๋ยวก็จะหมุนอีกอบะคือหมุนแบบหมุนเลยนะหมุนเป็นเรื่องหลาวยตัวหมุนยังไงคะตัวไม่หมุนตวันไม่หมุนแต่ข้างในน้หมุนเป็นลูกขาแล้วเคยเป็นยังไงบ้างเป็นทุกครั้งที่นั่งจนบางทีกลัวเลยว่าจะนั่งนิไม่นั่งนิพอนั่งเดี๋วก็หมุนอีกแล้วเคยนั เป็นแบบว่านั่ง ส, งววสั่จังหวะล้วังสงนั้นธรรมดาค่ะนะั่นั่งตรหายใจ<อ>คือตอนที่ตอนแรกไปรู้จักการจังหวะค<อ>คือรู้เลยว่าสักพักมันจะมีจุดดังจะจะเข้าจุดล อ, อ ก, กเลยว่าเริ่มหมุนหมุนไปจนยี่สิบนาทีก็ยังหมุน ล, ลืมตาก็ยังหมุนอยู่อยๆนะคือหมุนเรื่อยๆจนมีชาตามก็ศึกษาเองก็บอกนั่าไปเรื่อยๆทาทุกวันก็ยังหมุนอยู่อยนจนสุดท้ายก็ไม่ไหวแล้วก็ยังก็ได้ วันนี้ก็เลยยาานันสลับไปจากงานิกาเพชั่วโมงหนึงพอดีสรหมดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะทำคุณส้มแล้วก็ชื่ออะไรนปิ่งค่ะคุณปิปป่งปากสือีกงูแม่อ๋อาคุณปิ่งนะค ะ, ะเดี๋ยวเอาปิ่งใช่เลยคุณปิ่งช่งชวงเช้าคุณเล็กพาคุณปิ่งและคุส้มสาธิตที่นั่นนะแต่ไม่ไ้เรามาเพราะต้องใช้เสียงสาธที่ทำเงียบๆแต่ต้องบนใช้เสียงได้ แต่ให้คุณบริสากับคุณเตี้ยมใช้ทำนี้ได้เพราะมาช่วตัวเองแต่สมงคนออกมาทันไห้คุณมาทันไม่ไม่ทันค่ะต้องต้องไปไปสงลูกปองลูกเคือเอ่อมามาเที่ยโอมาเที่ยมาสาธิตตอนนี้ก็ได้นะเช้าก็สาธิตปิด้อะไรกก็ขนาดว่ายังไม่ได้มา ร่วมค้อนหมุนตีเลื่อมแต่อดองหรือไม่เพราะฉะนั้นงานนี้จะคิดรวมมุนนี่ไม่ต้อง่วงมุนนี่หมุนจริงๆมุข้างนอกของ้ไม่ใช่เราจะแก้ได้กันุนข้างนอกก็เรียกว่าอะไรได้ปลายปลายมันเป็นที่ไรท่าที่หมุนเข้ามเหมือนกันได้หมุนข้างนอกนี่ก็ลูกลูกชายไปเรียนนั่สาเกินการหนึ่งวันได้ก้าวหมุนเหมือนกัน แล้แม่เนียคืนลูกเรียนวันแรกหมุนทั้งวันแล้วคืนนั่งห้าช่อนในมุนตลอดออลอแล้วแม่ได้่ได้ซิดเลยวันนั้นนะคหมุนหมุนตัวพี่จูหมุนอาการเดียวกันพี่จูเป็นคนสอนด้วย<อ>แล้แม่เนี่ยแบบฉันนั่งมาปีหนึ่งแล้วฉันหมุนเธอวันเดียวหมุนแล้วอะคือว่า ใ, ใครสอนพี่จูพีจจ่จูค่ะจูยุ้งจูที่มาเลยครับอ๋อแต่เขาไม่เขาไม่คอสเตดก็คือ ค่าคือลูกเพิ่งไปเพิ่งเดินที่เราแ ล, แล้วคือลูกนนะีเป็นสมาธิสั้นแต่เป็นเด็กฉลาดนะก็เลยงไปพเพราเด็กหมุนนะเราไม่รู้เราจะคือสอนตอบก็ไม่ได้เาตัวเองรู้จะแก้ยังไงก็คิดเร่องนี้น <c oughs> เป็นออของสมถามากกว่าใช่คืออุปนิสัยของของของเราเนะีมันไม่ใช่อุปนิสัยสมถะมันปรหยัดกินใหญ่หลักถึงเพื่อนต้องทำวิปัสสนาถูกต้อง มาทาลักษณะการเคลื่อนไหวเนะคือคนที่เป็นลักษณะสมัยคือคนอเป็นลักษณะจิตเขาเรียกว่ามันมันเรื่อยๆนะถ้ามันยินมาก่อนนะแต่พวกเราเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรเยอมันจะต้องหมุนอยู่นะทั้งนั้นเวลาเราทําการเคลื่อนไหวแล้วก็มาการเลื่อนไหวเขาต้องมาได้ระบายออกเนเพราะฉะนั้นอุปนิสัยเหมาะที่สุดที่ปรึกนาค่ะเพราะว่าพยายามมาหลายทางใช่ถ้าไปทําสมถะเนี่ยมันก็ต้องหมุนเหมือนเดิม เพราะว่ี่ใสหอนพรานั้นทุกที่ทํา้องรบกวนคืกอ่าุ็มีชาบ้ผ่านแล้วแบบนี้ใช่ผ่านมแล้วใช่คุณเล็กมีประสบการณ์ย้ายข้างหลัง่ไงแช่แเข้ามาขยับเข้าหน้าอเอาตรงนี้ส่งตรงนี้ยขยับอมาขยับรงนย้ายนี่อไรเนีเลยเออ ว่ามาสตการอาจารยอผอหนาวเาทำานเปิดเนาะใหญ่กว่าใดในใจคงงงนอนนะต้องนอนมากเลยยี่บดอะไรฟื้นไอเคทีวะฟืนก็มาอยู่ไม่อยู่เลยฟื้นยี่บดอะไรยูก็่ได้ยูบดอะไรไม่ชนะเลยวันชนะคม วงนอนเลยวางนอนแล้วก <âm> ็พต <go> <governor> ้ะวางนอนดเจคันคนของสิวาคัดเมื่อนอนเมื่อนอนเมื่อนอนอยู่บ้านเมื่อนอนอยู่บ้านศิวาสัตวคันเป็คนมือนอนอยู่บ้านกิเลสชวนเลยกิเลสชวนอมนีได้มูนีได้นอนนีกบ่าดยนอนนะดยเดี๋ยมีอยให้เล็กสอน้แค่ี้ ผมท่าไหนคะอาจารย์แค่ดึงเอาท่าเอาได้เอาาสามว่าทาเจ็ดสามที่เขาเดินจกเอ๊ะสมคืออะไรนอนเพราะที่เทียงนี้นี่นะสามหก็มีอยู่เจ็ดเดินจุกงฮะเจ็ดคนนึงเดินจุกเดินจุกงแบบตามแล้วก็สร้างภาวะตามตามรนี้องคือนลวันนี้แทที่จะเป็นอย่นี้เียนะที่เจ็เราก็เปลี่ยนตัวนี้ช่ไหมี่ท่าที่เจ็ เป็นใบมสรงังว่ า, าอเรา่าที่สองมามาปรับเป<ม>็นท่าที่สี่มาปรับปเป็นเดือนกุมกราบรมามาปรับมาเลยอกราบราใ่ไหมก็าเป็นเดือกุมาเรใช่ไหมปรับท่าที่สี่กับปรับท่าที่เจ็ให้ถึงที่การขอเราแต่ท่าที่สามก็ปตามแบบนั้นแต่นเป็นคนเสียหลักขใจลี่แีคงส่ เจ็บเจ็บมากหรอวะสเป็นกากินอาหารบวชขึ้นกระหูกเยอะจะชุดวันแล้วลว่าเราคือว่าว่าไปขอบจ็บกระซ่าวเจ็บหัวไปเจ็บไกาหงอนหน่อยยัยเคยเห็นมาเจือบ่ลลู้ขั้นเลยมาปีการนิ่นิดหน่อยมาปีการมาเร็วน่นอยมาปีการนิด น, อกกน่อยมากจนป่วยานเลปีนี้ใครเด็ดปีนี้ใครเด <laughs> พอไปเ็จอที่็กมันก็ได้เรือยแกเ็ยตันหมด้ให้ลเนาะอยู่บ้านมีเตหิตหนึ่งก็เห็นชองซัค้งค้งนึ่งกังับางเรียนเยอะที่สัตว้ศาุเลกุปยนกปกดุ้อยู่ข้างบนต้องแตรคืนนี้เอคืนนี้ไม่ไชมื่่ทิ ที่ทเตียนี่จะบอกแต่บางค้ลองดูก่อนเพราะเาบอกว่าเขามีความสุขเลายอยากสุกก็เดี๋ยวให้ลองดูก่อนแล้วไม่บอกเคล็ดลับเขาบอกเขามีความสุขเขามีความสุขดีแต่คนจริงพี่ีใครรายงานว่าตอนที่วิคราเล็กนี่แหละที่ว่าจอเพลินมันมันมันสุขแล้วก็เลยไม่ได้เไอ้เคล็ดมแกแม้แตนะ่เพลินก็ต้องไอาเคล็ดมาแก้มันกันพบเพลินนี่นี่แก่ายากเอาถ้านึกถึงไอ้เคล็ดนี่แมาแกหายใจลึกกัน สักพักในเกมลึกกันพักไปดูคนเพื่อายเสร็จแล้วพี่กายก็วันจะทา่าวอะไกตาตุ๊กตาตุ๊กตาเข้ามาหอว่าจะยังก็ได้หรือเปล่าถ้ามีข้อก็จะข้อหรือเปล่าแต่่ว่าก็ได้ทั้งมเนี ว่าอย่างี่เาว่านะครับอะไรว่าหลวงพ่อแลี่อาจารย์ทุกคนสะพานคนน้อยร้อยสะพานคนน้อยเนี่ยคนน้อยว่าทำดีก็บริดบิ้นทำบุดีก็บรดีบิพอมันบุญดีมันเป็นอย่างที่เป็นแบบนั้นคำตอบก็คือว่ามันจะจบแล้วบุญ บ๊วยพี่ยังนี้ลยนมันมันปวดทุกสิทุกอย่างการปฏิบัติกับพาะยามสุดขีและมันเป่นไปก็ได้เพราะว่ามันมันมันจะจบแล้วมันจะไปผีประสานะผี้ระสาทผัวเทนไม่รอด ก็มีแต่ทหารแะก็มีแต่เขาเจ่นแต่พันยามแต่ว่ามันพันมันเก็บมได้หรอก่พราะมันมันอนุ่นกายกระเสียนที่ะขึ้นลงแบบนี้ได้หรอกเป็นไปได้แต่เขมันเป็นไปไม่ได้หนี่ำไมมันจะบอกให้ฟังอาจารย์กำพ้นที่เพิ่มมาปฏิบัติแบบดินบระเบิดยัมนี่เดะยางก็ะเบิดโยกมือกรบเบิดอาจารย์กำพ้นนั่นนอนแช่ เพิ่นเห็ดอยู่เอา่าทั้งหมดเลยแล้วเห็ดอยู่สามเดือนบรรทุธรรมแล้วหัวกระต่ายเป็นตุนเดือนกระตายแล้วก็เสียแล้วก็จ่มาไปจัดอุรโใง้ห้าวันหลังจากนั้นมาเข้าคุณมางานศมาเข้าไปจ่ายไ้ห้าวันเขาเป็นพาราไท์ั้งตัวนะเขาเห็ดใประสบุดสยเรลจเขาเบิ้งยังไงเขายังมือแค่นี้ ตะปิปหูเล่นหายใจเล่นกระพริบตาเล่ผู้ใหญ่เห็ุหตดสร้างจะว่าก็เป็นเดิจุมกอก็เป็นพิบตาก็เป็นดีกว่าอาจารย์กับคนอีกหลายมื่นหลายแสนเท่า น, า เ, น เ, เ, าเป็นเตุอไรหลวงพ่อเป็นแบบนี้ขนเรยกาหลังจากปี 10, พันเก้ร้อเจ็ดเก้าขรียอาาัพาตลดค ว, ดวร า, าระคเล่นนะออตายสองชั่วโมงสนนั้นา้าเลยจะเป็นอัมพานเลยมื่นี้น มืดจางเลยไแต่เห็นบไระคนนันไปนะหาเปิดเกับเจ้า ก, ก็บอกมีมตแต่พ้าผาตตมันมันจะมันจะตายไปเลยนะเป็นอมคาเลยเนะีบอะไรจาจั์กำพลนี่ยนะคนตะกาคนดีๆเนี่นะเป็นผู้สอนพระพนโดดน้าเคยสาธิตการดัหนหําให้เด็กหนุ่ยบึ้งเดินตงไปหัวพกแทกคนซักคอเนี่ยตระกคอเียกนะ มันไปทำลายเศษกระตาสย์เราได้เป็นพระละเรยเราตายไปยสามมือนบริบาลตายสองถุงมือเขาพูดงไตายไปสามมือขึ้นมาแล้วแล้วมาปฏิบัติธรรมจนบรรลุสกุลสาเร็จแล้วปฏิบัตินสันเิเราสอนธรรมะาไปทั่วประเทศเด้คนพิการคนดีธรรมดานี่ตื่นตัวเพราะเราสอนพร า, า่าเขาเรียกวยาย่าจิตสดใสแม้กายพิการนะเราอะไรบรลุธรรม อันนั้นเรารักโกเบย์อีกด้ยเนี่ยขอฮะเสร็จประสาทเสื่มแต่สมองเรไป็อย่างเราจำได้หมดล้วก็เลยปฏิบัติได้เพทุนี้สมองก็ดีหูก็ดีตาก็ดีแคนก็ดียางก็ได้ดีกว่าใจสมพดเปได้ร้อยเท่าเป็นอย่างนี้เท่าจะให้บรไกามันอยู่ที่ใจถ้าใจสู้ใจเอาเราโมมี่ยังเป็ดูวรรคเลยถ้าใจพอเอาแล้วนี่มันคุ้นใจแล้วมันว่าตอนนี้ใจที่เราอยู่บวะเขาได้กับพญามีแปลว่ามันหมได้หรอก ีเราได้ท <dag> ุกอย่างได้ความสามารถนอ๋อบ่มดเจ้าเดินได้อยู่เจ้านั่งได้อยู่เจ้าหายใจได้อยู่บ่มดความสามารถมีอยู่แต่เจ้ามืดคานั่งใจดีสิเขาอว่ามันมันมันจะจบแล้วมันมันจะจบวจะจบมันวิบากกรรมบ่มดมันตายพวเป็นอยู่คนนันะไม่ใชวิากรรมยดทีวากรรมมันมายอยากไ้ปรด็นก็บรรดจได้ถ้าวิบากกรรมบ่มดแต่วิบากกรรมมดมัอยากได้ปรดก็ได้ตาย เพราะนันจะไปคิดไปจบไปจบเฮ็ดไปเรื่อยๆเพราะทุกคนี่ต้องมีวิบากกต้องมีวิบากกทนยืยืทุกคนยังมีเว้นเลยทุกคนทัเว้นแต่ว่าวิบากมีแต่พระพุทธเจ้านี้นนโตนบอ่ามีวิบากกรรกี่อินท์บอกเขาได้ไล่ฆ่าไล่แทง่ล้เขาได้ดาน่นี่ก็เป็นวิบากวิบากกรรมที่ที่ยังามาไม่ไม่ทันอ่าวิบากกรรมที่ตามมาไม่ทันะบอกว่ากาลังของเรามีมากกว่าท่านเกิดสมหมาไล่เนี้อ ถ้าหากว่าเนื้อมีกําลังกว่าหมาไล่เนื้อ น, นั่นก็เห็นว่อเวลาในส า, ารตีวีเสือได้ได้กวางนะความบางตัวมันไปตัวเล่าเลยนะเพราะกำลังมันดีกว่าเสืออันนี้ลักษณะนี้เรียกว่าวิบากต่างไม่พันเพราะกําลังความดีเรามากกว่ากําลังสติสติปัญญาเรามากกว่าวิบากากับาฏิหารไม่พันเหมือนกันแต่ในกรณีที่ตามทันพันแต่กายถ้าใช้คําว่าเสดวิบาก เสียดพี่บอกยังมหาโมคะลานะเนี่ยทานแต่กายถึงมั้ทุกท่านจนเละแต่ว่าใจท่านไม่เป็นไรนี่พาาาระอรหนี้ก็พิ่บอกกรรมยังเสียดอยู่ก็ออยังทุกทุกจนเละอันนี้ก็มีอยู่ยางพระองคุลิมานนะบรรทุกระอรหารต์เราไปบินพะบาทเขาเอาอะไรเสี้ยงหัวเสียงตัวตัวนี้เปิดเริ่เท้ไปบนที่แก่ถ้าอย่โดนี่บอกันด า, า, าเปนะ็นพระอรหันต์นแต่โดทานอยู่คือดนทางกายแต่ในกรณีที่สติสมาธิเราสูงว่า มันก็จะดูทางกายทางเดียวจะไม่ดูทางจิตนั่นถ้าคนทำกรรมแบบว่ากรรมเล็กน้อยอย่างนี้วิบากกรรมก็ไม่เป็นผลนะครับอ๋อวิบากกรรมมนถ้าหากว่ามันมันน้อยนะมันน้อยเนี่ยคนนั้นก็เรียวิบมันหมดวิบากคำว่าหมดวิบากไม่ใช่หมายถึงการแต่ว่าร่างกายนี่จะไม่ได้เสวยเวทนาอะไรหมดแต่เขาก็จะไม่สวยเวทนาวิบากมันจะมาในรูปของเวทนาเท่านั้น ถ้าร่างกายนี่เวทนาสงบแล้วถือว่ามีเนื้อวิบากถึงมีก็ไม่เป็นผลอะไรวิบากไม่จะมาแต่ในรูปเวทนามาื่อรูปเวทนาถ้าชนะเวทนาเปนเนื้อเวทนาได้วิบากวิบากเกิดในหมวดปวาหมายเลยนั่นเรียกว่าทั้งทางกาย ท, ทั้งทางา จ, จิตนั่นอยู่ที่ว่าเราพัฒนาไอ้ทูตุ่งธรรมในสายใจเกินด ว, วิบากแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญถ้าหากว่าเราฝึกเวทนาให้สงบ ด้การวิธีที่ตามรู้เวทนากายเนี่ยเก็บไหนตารู้คนนั้นเห็บไนตามรูตม้ตามรูมร้แก้แก้แกแจนกระทั่งมันชำนาญพอชำนาญได้มันยกจิตเหนือเวทนาได้ซึ่งเรื่นีนา น, น่าสนใจมาที่บอกคนไหนที่เวทนาเยอะๆในโชคดีเพราะมันจะได้ฝึกและแยกเวทนากาบกาย ก, ก, กันได้อาจารย์ได้จปลว่า้องก็ <c oughs> ้อกน่ <c oughs> อนอคิดมายมากมาไปก็มีดีเพราอะรัแยกไม่ออกแค่ธรรมดาอยู่ เมื่อก่อนในตอนเวทนาหนักหนักมากอพอมันหนักจนจะเิียว่าช่วงนั้นจิตที่มันจะไปอยู่กับเวทนามากใช่ไหมอพอคือจิตมันมันสับมันขั้นจะเรียกว่ามันมันสบมันมากจนแปลว่าไม่ไหวอพอถึงจุดนั้นะแต่ว่าแยกใจออกได้ไแยกจิตออกได้ไม่ได้ ต, ตอนตองเป็นตอนนี้ไม่ได้ค <laughs> ันได้ไม่ได้เพ่อ <laughs> พอพอ พอมันเจอขั้นงนั้นเยอะๆเข้ามาก็จิตมันก็หาทางออกไหาทางปลอบปลอบมันแล้วก็อยา่างที่สมาธิเข้ามาช่วยมากตรช่วงที่มันป็นากสมาธิมาผ่อนควายมีทัณมากแต่อย่างอย่างเวทนาขอา ม, มาเนี่ยปัญหามันคือว่ า, าสมมติในเมื่อบานเนีหูื้อพอหูื้อ ป, ปั๊บเนี่ยมันจะเดียการเบียนพอเบียนปั๊บเนี่ย มันจะมีรู้สึกตัวเลยมันจะไม่รู้สึกตัวเคยมาถึงว่าเวลานอนอีะเขาเรียกว่าหลับไหลอ่ะแต่เมื่อวานนอไม่รู้สึกตัวเลยนอนตั้งแต่ทั้งวันเลยไมรู้สึกตัวเลยนะคือมันคืออาการมันจะหลับไหลแล้วพอพอการหูไม่ค่อยเคื่อนปรับที่จะรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นถ้าเบธานายอย่างเงี้ยมันช่วยอะไรไม่ได้คือมันถ้าจะถอนตัวนะพรอาจารย์ยังไม่หายดีมากมันเป็นผลจากอุบที่เหตุคราวนั้นหรือเปล่าไม่ไ่ เป็นจากการ ม, มีสว่วนก็คือการทำงานหนึ่งทำงานหนักมีสว่สวนเพราะช่วงก่อนที่จะ ก, ก่อนช่วงนี้ก็ล้างล้างสะเทือนสะเทือนด้วยเสียงดังด้วยมีสว่วน<ม>แต่อย่าง ท, <ม>ที่ได้ตามตามที่ที่เราอยู่บริษาความนั้นตอนที่ว่าตอนนั้นอยู่ตรงเนี้ยแต่อตอนนั้นนั่นคือว่าถ้ามันเป็นในจีนเนี่แทนถ้ามีคนช่วยต้องมีคนช่วยถึงจะได้เพราะถ้าตอนนั้นมันมันถือว่าเหมือนเรวก็ุนตัวเองก็ได้พว่ามันเด็บมันจะเวียนด้วยแล้วมันจะสิ้นด้วย คอตอนนั sa ้นที่ภาท่านที่อาจารย์ภาคอยู่เยะใงเป็นตัวเนี้ยมากอยู่ตนี้อาจารย์มตบอไม่ต้องช่วยเลาขอท่าบอกว่ามหาถอยออกมาเราจะเป็นคนเราจะเป็นคนเป็นแลาเป็นคนรูคือไม่ต้องเป็นคนมาช่วยกระตุ้นเพจะได้ถ้าเราทำตัวเองกำลังอย่ามีกลังไม่พอเพราะว่าอาการเย็นนี่มันจะมันจะเหมือนมันจะคุมเราเลยมันคือมันถ้าหลับ๊บเนี่ยมนเหมือนจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งมันจะสลือๆไปเยอ่ะเหมือนคนเมาอ่ะระยะมันต้องช่วงนั้น ก็มีคนช่วยพอเราแบบว่าร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตอนนั้นเราก็จะช่วยกันมากขึ้นอย่างคนเจ็บปวยทาไมต้องมีมาเลยทำไมต้องไปเรยเดี๋ยวกอนไมไม่ใช้ทีหัจารย์ช่วยวันคืนเขาสักคืนครับเอาคือเาไม่อยู่คือคือเอรแล้วก็หลับไปเลยอย่างเมื่อวานนี่เหมือนคนละคนเลยแล้วเมื่อวานนี้ทาอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานวันนี้เื็นปกติทุกอย่างเลยนยคิดว่าหูน สมใช่คือคือมีเรื่องเลยต้องนอนนอนในเตียงที่นลแล้วนอนไี่เหมือนเม่าเข้าไม่ได้ฉ่ำจะไม่อยู่ไปอะไรเลยสัเล็นะเห็นอาหารนี่จะอาเจียนเลยาะมันคาจะหักาจาไม่ชอบอาหารโยมไม่ชเป็นอาหารไม่ได้ยกเบ็นของเกลี้ยวกันละของเที่ยวได้ถ้าเป็นของเที่ยวได้มันจะมันจะมีอาการอย่างนี้ครับน่นจริงป่ีอาจารย์สหายมายไว้เนี่ย ที่บอกว่ามันมีสองครั้งที่ปรากฏทำมาหนักได้คือแบบเทปูนใช่ไหมครันักที่สองคือมาล้างที่อากาศนีเลยก็ัด้แล้วอาจรย์ต้องรู้ลรื่อของตัวเองว่าเมื่อไหรถ้างานอันนี้มันจะมีอาการก็ทำพอทแล้วมันหยุดไปได้ไม่เสร็จมี้ว่เียกทีรีบกาที่ตัวเอง่ปาใช่ก็ต้องอยวาเรียกที่รีบกาจริงๆนะถ้ามันอะจริงคือเราหยุดไม่ได้ อาจารย์มีมิบากมากอยราต้อง้ประบาทไม่ได้ใช่ า, าจรยทนี้คว่าวิบากกรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นวิบากกรรมในชาตินี้ที่เราไม่มีสติพอที่จะยับย<ช>ั้งตัวเราเพราะ บ, บางคนชอบพูดว่าวิบากกรรมไม่บก็จจะมีส่วนแต่ถ้าเรามีสติในชาตินี้เราก็สามารถตัดิบากกรรมได้นั่นเองคนที่ฝึกสติเท่า น, นั้นที่จะชนะกวิบากกรรมได้แต่ว่ามันมีพอถ้าพอมันชนะได้อาจารย์บุกคลานะถมท่านถูกทุกโดเลต่างัสติแล้วประสาน การตอคมรักกันมาพระเจา้าใช้คำว่าด้วยเศษแห่งกรรมที่เหลืออยู่ด้วยเศษแห่กรรมที่เหลื อ, อยู่คือไม่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ในในอาพูดพูดอย่างง่ายของบาปในง่ายข้องบาปที่มันมันอิดตัวมายนะด้วยเศษแห่งกรรมที่เหลืออยู่มีมีโรคมากมีอยายุสั้นแล้วแต่แต่นี่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดอย่ทุทธอาจารย์พูดถ้ามีเรามีสติมากหน่ยมันจะช่วยแก้ไขในการจับยั้งี่บากรรมแต่ ี <là> ่บารมนี่อยู่เพราเศษอิกรคม้างมาอยู่ไม่ว่าจะมีพวกบอกว่าถึงแม้เราจะไปใช้การแผงรักษาแต่ด้วยเศษาที่รอยู่หรวพ่ทจจ้ามยถูกนางนางจิิมาิกานางมักชันธิยาไปด่าจตันคืนเห็นเป็นพระทจที่ถูกด่าอาจารย์พยมมีคำถามคือยมจับอารมณตอนตื่นได้อลมณที่หลับนยากที่สุดว่ามันดับตอนหนทิจ้านี่อารมณ์ตอนตานี่คืออมณขเดียวเท่านั้น นั่นคือสิ่งที่เรากาลังฝึกอยู่สติแต่และขณะขณะขณะขณะเร า, า จ, จะมีเวลาฝึกแล้วมันต่อเนื่องนั่นคือเราสร้างสิ่งสัมพันธะของเราแต่เราตายเน้าเรามีสัมพันธ์ะทั่วพร้อมมันจะดับไปได้ขณะเดียวเราไม่ใช่และนี่นคือนี่คือที่เราฝึกอยู่คือฝึกพอตายใช่มฝึกดอนที่หลักกับตื่นเนี่ยทั้งสองหัวนี่นะตอนก่อนที่จะหละับตรงนี้มาฝึกมาค่อนข้างงานมากจะพูดจะจับมัได้ สะวังอย่างไรตามไปดูด้วยเมื่อว่าวันไหนที่เกดศึกษาคืนนั้นไม่ต้องหับก็เลยว่าข้าออกเข้าออกเขาออกอยู่นะแต่ทีนี้พอจิตมันไหลเข้าไปสูงรวังปับเนี่ยตัวจิตของเราเนี่ยลมหายใจมันจะไม่ทำงานมันแผ่วมากแต่กายด้วยตัวสติด้วยตัวสติมันจะอยู่เหนือลมหายใจนิดนึงอันนี้หลปู่เด่นไ้พูดไว้โอเป็นอย่างนั้นคือ ขณะนั้นอ่ะมันมันเหมือนตื่นแต่ว่าเราไม่หายใจแล้วนะคือมันหายใจแล้มันแข็จะไปจับอาการไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเข้าสู่ควังร่าักษณะนี้มันก็เหมือนที่ระดับจิตถ้ดับจิตก็จะเป็นอย่างนั้นรวมๆหายใจก็จะมีตัวรู้อยู่ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นการเข้าสู่การหลับกับการตายเหมือนกันมากแต่ประการสัำคันญต้องตังต้องการรู้ให้ดีแต่เวลาเราตกิดมันแท่แทบแบบเดียวกันกับเราตื่น เราตื่เนี่ยถามหลายคนว่าระหว่างกายกับใจเนี่ยไหนตืนก่อนถ้าคนไม่ศึกษาไม่สังเกตจะไม่รู้ว่อะไรตืนก่อนแต่มาตามดรูบ่อยเขาบอกเขาถึงไปด้วว่าร่างกายตื่นทีหลังแต่จิตตื่นก่อนเพราะที่พอจิตตื่นปุ๊บเห็นร่างกายกำลังนอนมันจะดิ้นไม่ื่นไม่ได้จนกว่าร่างกายจะพร้อมบางทีก็พอร่างกายพร้องก็มือนเหมือนสปาร์ตเข้าไปปกติทุกอย่างใหม่ทะ้งนั้นเวลาตายมันแบบจิต ไปเกิดของการเกิดท o sea, ีหลังเพราะฉะนั้นการศึกษาการเกิดการตายเป็นศึกษาตอนหลังวันเดิมให้เราจะรู้ว่าวิธีกายนี้ตางวิธีที่เราจะเกิดอะไถ้าจะเกิดดีซึ่งเป็นเรื่องที่มันจะรองหมือนแล้วทุกวันแต่คนคนเสืเสียมันดูเขาเคยชิดครอบงามันก็เลยไม่สนใจเรื่องกัรตอนหนึ่เพราะฉะนั้นไปไปถ้าเราฝึกสติให้ดีแล้วไปศึกษาเรื่องนี้แต่วันไม่ได้ทุกครั้งนะเป็นบางครั้งเท่านั้น สาเดือนี่แล้วยองไปทำากลอสตีแล้วก็ต้องฉียาสลบทิศอาจาย์ <ừ. S 2> ทีนี้เนี่ยพอมาบอกอ้าวเขาก็เริ่มฉีดยาต่าวอ้าวคุณ พ, พัชลีทิ้ตัวหน่อยพอทิ้งเสร็จหลังจากนั้นอีกทีเนี้ยหลังันไม่รู้ตื่นเมื่ทีก็เก็เลยพอตื่นเ้ยาหลับไปตอนไหนจันได้แต่อบอกว่าคุณพัชลีทิ้ตัวหน่อยหลังจากนั้นนี่คื อ, อาหายไปตอนเนี่คือ จ, จับไม่ได้เลยเพราะนั่นตัวนั้นมันไปกดอยี่ไปสมองอะัง อันนั้นคือยาบถการควบคุมแต่ลักษณะการหลับการตื่นนถ้าคนมีสติที่ดีๆเนี่ยจะควบคุมมันได้แต่ถ้าคนที่มีสติไม่ถึงระดับควบคุมมันไม่ได้ของญาณระดับเพราะนั้นนักปฏิบัตบิบางท่านท่านพระเดชให้วางยาเสรท่านต้องการรูว่าจิตมีเหนือเวทนานอย่างไรยาอาจารย์พุทธทาสคนนั้นถึนปัจจัยสิส่งเดียท่านให้หมอทั้งยาหทั้งน้นตงทำตาลที่สา ว่าพระเดชพระคุณทำยังไงปรรทานตัดไม่ฉีดยาชาท่านบอกว่ า, าคุณท่านเขาไปปฏิบัติอนกนแล้วกันคือท่านไม่ตอบว่าทยังไงท่านจท่านจะตอบผู้เดิมเลยแบบีก่อเพราะตอไปก็มกปรมบเกไปดูเรื่องเดิม <triste> ปเรื่องละเอียดหรอไปเรื่องพตัวแต่ว่าเละเอียดการพูดเนี่ยอันเดชช่วงนีได้เคยปฏิบัติที่ตอนไปอยู่ที่วิเวกสมได้จกนะครับ พอเราอยู่ต่อเนื่องเนี่ยไอเรื่องตื่นเรื่องหลับเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องตื่นที่จารย์พูดตะกี้เนี่ยว่าว่จิตตื่นก่อนกายเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดมากคือเราจะรู้ว่าตอนนี้เราตื่นแล้วนะแต่เราดูการาได้เลยแต่มาถึงว่าตอนนั้นน่คือมันต้องปฏิบัติสอนเนี่มากๆเราจะเห็นได้ชัดเหมือนกับที่ปกติที่เราทำกว่าเงี้ยนากาเนี่ยก็ไม่ต้องตั้งมันจะอัตโนมัติขาเองนะพอเกตดตอร์หรือตัวตัวคือตั้ง้ำมัได้คือมันจะเป็นธรรมชาติอัมัติ ท่านะบอกว่าอสัมโลภะมอสัมมุโลภะคือไม่รู้สติโยมจะรู้สึกตื่นก่อนพอตื่นเสร็จปุ๊บก็จะเห็นลมหายใจักมาแล้วค่อยขยับตัวเพราะนั่นในสมัสยะข้อที่เกียกบารดับการตื่นการพูดกันนี่เนี่ยาให้รู้สึกตัวนั้นนะครับการดับคือไ่รู้การดับกับการตื่นนะไม่ใช่วันนอนไปแล้วก็มีสติไม่ใช่ถ้านอนไปแล้วมันต่างกาันพักผ่นมันก็ต้องต้องหล่อต้ับไปแต่ให้รูจังหวะการดับกับการตื่นเท่นั้นเพราะนั้นมีสติในการดับ มีสติในกานตื่นไม่ใช่ว่าตื่นทั้งคืนโดยที่มีสติไม่ใช่เหรอครับโมคตคอยแวามันเป็นไปได้หเออไอ้เรอตื่นเรงตื่นเตนตื่นเนอย่างื่แบบไม่หลับอะไรนันไม่ได้หมายคําว่าอย่างที่อาจารย์พิว่าสีหัสย่าที่ว่าเขาพูดถึงราชเสียเวลานอนเนี่ยถ้าสีหัสย่าถว่าถ้านอนสมมติหางตอไนี้ขาอยู่ตรงนี้ราชเสี์นะ ถ, ถ้าถ้าถื่นขึ้นมาปั๊ค้าไปเท่านี้วันนั้นเนะี่ยเขาจะไม่กินอาหารก็ถือว่าเสียศัสดิ์สรีเพราะนั้นถ้าเราเป็นปริญญาที่ <c oughs> ว่าสิยหายญาติที่จะแก่ขวา <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ก็คือมีสติในการตื่นนการนอน <c oughs> ก็คือคือการรู้ตัวที่ว่าติดพอตื่นจิตตื่นปั๊บก็ดูกายก่อนว่าตอนนี้กายเป็นอะไรแล้วอะไรมาณนี้นะเ <c oughs> คือสียหายญะ แต่ถ้าก็ตัดสายากเลยแต่ว่าเฉยๆน้องเด็กก็เปิดตัดสายาน้องเด็กเลนะฮะงอนงายระเบิดกเป็นั้นว่าเราทำหน้าที่ในการวิเคราะห์วิจัยร่วมกันนะสมควรกับเวลาเพราะความมทนาสายลมในความที่เรามีส่วนร่วมในการที่จะ สร้างวิธีการปฏิบัติธรรมลักษณะธรรมวิจยะสัมพุทธชงซึ่งมันจะกลายเป็นแบบแผนกลายเป็นแนวทางที่คนรุ่นหลังได้ศึกษาปฏิบัติว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลเร็วลัดสั้นแล้วก็อยากจะทําเรื่องอันเนี้ยให้มันเข้มแข็งแล้วก็พิสูจน์ได้ตามคำสอนของพระสมาญต์สูตรเจ้าขอให้เราทั้งหลายจงศึกษาทำความเขาใจนี้ให้ถูกต้อง เพื่อได้รับผลการปฏิบัติโดยกัรทุกคนทุกท่านถืออ่ไว้พร้อมอาราหงสัมมาสัมพุทโภคาวาพุทธังพระเขวันตังอะพิวาเดย์สวาคาโตพระเขวาตาธรรมม ขามังนามสาสัมสุปาติปัญ น, นาข่าววัตุสาวกาสังโฆสังขังนามนาม ค้างนะเนาะค้างก็โอะคี่พกคงไปลงตัวกันนะแล้วแล้วนี่เป็นไงบ้างไปแล้วก็เขาบอกเขาหนุก็ล้จากกลับบ้านก็ยากจะให้ท